อยนี้บ้าจะได้ยินบ้างมันจะยินบ้างนะก็ะะต่อเนื่อนะคะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมไม่มีมาตรฐานที่ทำนะอืมค่ะก็เอ่อความเคยชินของ ก่อนหน้านั้นที่เคยฝึกแต่ก่อนที่เราจะตอนมันก็มีวนมาบ้างเป็นครั้งคราวอ่ะคะ่ะแต่ก็มันก็แต่ว่าพี่แต่ว่าความที่เราจะลืมตรงนั้นไปเนี่ยมันก็จะสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมามันก็จะนึกถึงอยู่เสมอว่าเราจะต้องฝึกโยกอดเราต้องมีรายงานตัวเลขแล้วก็เราต้องรู้สึกตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องฝึกรูปแบบเพียงแต่ว่า อย่างถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็อาจจะฝึกรูปแบบไม่ค่อยอาจจะไม่ถึงห้าสิบเอร์เซ็นแต่ว่าถ้าอย่างอาทิตย์เนี้ยก็ฝึกเกือบทุกวันมีวันเดียวเองที่ไม่ได้สูตรอะมันก็จะแบบขึ้น ข, นขนลงลงมันยังไม่ไม่สม่ำเสมอ น, น, นะคะ่ะอืมอือฝึกอการฝึกตัวกดก็ดีการฝึกรูปแบบก็ดีแล้การฝึกที่ไม่ได้ฝึกทั้งตัวกดรูปแบบเนี่ย ไอความยากง่ายมันต่างกันยังไงมั้งเออว่าถ้าถ้าหมายถึงว่ารู้จารู้ธรรมชาติใช่ไหมคะนอื ม, อมที่ว่ามันมนช่วงที่สามคือไม่ได้ฝึกทั้งตัวกดที่เราตัวกดแล้วก็ลดลงพอหลังจากนั้นเราก็เลิกปล่อยตัวรูปแบบที่เราสร้างจังหวะเดินเชจ่อมกรมสามสิบนาทีแล้วก็เลิกแล้วก็ปล่อยที่เหลืออยู่ก็คือการเรียนรู้แบบไม่ได้ใช้ทั้งรูปแบบไม่ใช่ทั้งตัวกดแต่เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติเป็นยังไงมั้ง ก็มมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะแล้วยังยังไม่ค่อยไปถึงไหนอะค่ะอาจารย์วันเนี้ย่ะวันนี้ยที่มายังแบบโอ๊อไม่รู้จ ะ, ะรายงานอะไรกับพระอาจารย์ดีรู้สึกไม่ไปถึงไหนเลยอะค่ะอืมก็จะไปไหนมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันอยู่ตรงหน้านั่นแหละถ้ายิงไปก็ยัไม่ถึงอืม ไอ้ว่าไอ้ช่วงไอ้ช่วงที่เราเราเรียนรู้แบบไม่ใช่ตัวกดแล้วมันมันเห็นสภาวะทั้งสองอย่างไหมไอ่าภายในภายนอกและไอ้รู้เราก็รู้อยู่แต่เราไม่ได้ไปทำอะไรกับมันสภาวะตรงเนี้ยปรากฏบ่อยไหมเพราะวัาประเด็นที่มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้ามันจะเป็นบางช่วงเท่านั้นเวลาที่อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องเจ อ, อคนอื่นนะก็จะ ตัวเวลาทำไม่ว่าจะเดินหรือว่าจะทำศิษย์จังวัฒนอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขัวมากเลแต่ตว่ามันก็จะมีคิดอะไรแทรกมาบ้างแต่ก็สลับกับไอความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นนะคะรู้สึกเป็นธรรมชาติแต่เราก็จะมีคิดบ้างแต่เราก็รู้ว่าเราก็คิดนะคะแต่บางครั้งอะ่ะมันมันเหมือนกับเราก็อยากคิดไปด้วยอะคะ่ะพี่จ้า อือเรามีมีมีบางอารมณ์ที่ว่าอยากร่วมกับความคิดแต่นั้นใช่ค่ะพี่้สกแเออไม่อยากนึกคือไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าไม่อยากนึกถึประจุอะไรแต่ว่าเราอยากคิดเป็นเรื่องนี้อะไรอยางเงี้ยค่ะก็เหมือนกันบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่าเออหรือว่าเราเหมือนกับเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเวลาที่ที่อาสมุดนะคะเหมือนกับเราอ่านนิยายแล้วเราเราจะติดมันจากตรงนั้นมันมากมากใช่ไหมคะ เราก็เลยแบบนนเราาม่านอมที่เราไม่ต้องมีเร่งสือที่เป็นนิยายืสอยสือเลยเนิยายอสืทเลยก่เค่ะหเข้าใจไหมคะอือก็อะมันมีบางเรื่องที่มันรู้สึกว่าถ้าไม่มีเรื่องนั้นเลยก็จะดีใช่ไหมถือว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนะมันอาจจะช่วยเราได้ที่เราจะไม่ไม่ไม่แบบไปบกพูดตำมันอะไอย่างเงี้ยค่ะอือ อันนั้นอันนั้นเป็นช่วงของการใช่ป่ะถ้าช่วงของการไปเชิญเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่มีการเลือกจะเป็นระบบไหนก็มีการเลือกค่ะก็เลยพ อ, อ, อที่อาจารย์พูดถึงว่าคนที่สูบบุหรี่นะที่แบบเขาไว้กาลังจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไปอยู่ในที่ที่แบบเคนสูบบุหรีเยอะมันน่าจะยากสําหรับเขาเหมือนกันใช่ไหมครัาาอาจารย์อ๋อใช่ในช่วงที่ช่วงต้นนะ่ะ เพราจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ผูกพันกับเรื่องนั้นอยู่แต่เมื่อเขาเลิกได้แล้วเนี่ยเขาเลิกได้แล้วสนิใจแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ก็ไม่มี ป, ปัญหาอันเป็นช่วงการช่วงการเริ่มต้นเฉยแต่ทั้งหมดเนี่ยคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยย้อนกลับมาที่ใหม่นะคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยคําว่ารู้สึกตัวของพวกเราเนี่ยเรารู้สึกที่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยร่หวังความรู้สึกตัวที่เป็นรู้สึกที่ตัวกาย นะหรือเป็นความรู้สึกตัวที่กําลังรู้อยู่เห็นอยู่สังเกตอยู่อันเนี้ย<โ>อารมณ์นี่ให้ชัดอืมถ้าความรู้สึกตัวจริงๆอ่ะเป็นจะเป็นตัวรู้สึกตัวที่รู้อยู่เห็นอยู่สังเกตอยู่อันเนี้ยเป็นความรู้สึกตัวที่ตัวรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกตัวที่ตัวกาย ก, ายก็คือเห็นสัมผัสกายเดิ น, น, นกายกายืนกายนั่งกายนอนกายเคลื่อนกายไหวอันนี้เป็นสวามสึกที่มีอาการอะไรเกิดขึ้นทางกายเนี่ย แล้วเราก็เข้าไปไปรับรู้กับอาการเกิดขึ้นทางกายเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกตัวที่ตัวกายแต่ในเวลาเดียวกันปุ๊บอ่ะเร า, ารู้เรารู้สึกเห็นอยู่รู้อยู่สังเกตอยู่กับกายที่กำลังยืนเดินนั่ง น, นอนคูยเหยียดขึ้นไหวเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกตัวที่ตัวรู้สึกเพราะตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวที่สังเกตเห็นได้ทั้งสองฝากฝังกางฝ้าฝังที่กําลังคิดกําลังนึกกําลังมีอารมณ์อยู่มันก็มีตัวรู้อยู่เห็นอยู่สังเกตอยู่อยู่ แต่ไม่เข้าไปร่วมถึงแม้มีความอยากอยู่เนี่ยก็จะมีตัวรู้อยู่สังเกตอยู่เห็นความอยากอยู่อันนี้อันหนึง่งเพราะมันมันเป็นความรู้สึกตัวที่ตัวรู้สึกเนะี่ยลองลองสัมผัสจริงๆนะเพราะบางครั้งเราก็จะสับสนเรื่องความรู้สึกตัวที่เป็นความรู้สึกที่ตัวกายกับความรู้สึกตัวที่เป็นตัวรู้สึกรเราอาจจะแยกกันไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยนี่ก็ตัวหนึ่ง เราเ ว, ว่าช่วงท้ายที่บอกว่าให้ใช้ภาคที่สามสลับกันไปอ่ะในบางช่วงก็เราก็ปล่อยให้ใหทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองเพื่อเราจะซ้อมความรู้สึกตัวที่รู้อยู่เห็นอยู่สังเกตอยู่แต่ไม่เข้าไปอยู่กับเรื่องเราเหล่านั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวในภาคที่สามที่กําลังจะเปิดอ่าเปิดใจให้ใจอ่ะเริ่มมีการศึกษาเริ่มมีการเรียนรู้อารมณ์ลดการจัดการลดการแทรกแตง่ง แต่เปิดการยอมรับเปิดการยอมรับมันมากขึ้นแล้วก็จะเรียนรู้ที่ไปที่มาของมันมากขึ้นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเออเหมือนเราไม่ได้ทําอ่ะเหมือนเราไม่ได้ปฏิบัตินะพอเราเราก็ยังรู้อยู่นะแต่ไอความไม่ไอความไม่มั่นใจลึกๆของเราก็จะมีอยู่อะเนี่ยฉันไม่ได้กดเดี๋ฉันไม่ได้เดินจมกรมเลยฉันไม่ได้ทําในรูปแบบเลยแล้าฉัก็จะรู้สว่เออเหมือนฉันไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่เป็นอย่างนั้น เนี่ยนะะก็ก er ็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเหมือนก็อืมมันจะเบาๆง่ายๆชอบหลุดชอบไหลให้ให้สังเกตสองอย่างนะมันมีสังเกตอยู่สองอย่างนะหนึ่งถ้าเรารู้สึกแบบเขาว่ามีรู้สึกตัวแบบเหมือนเราเราคลายเราคลายฟ้าจุกกับเราคขาฟ้าจุกแต่ว่าเราไขาฟ้าจุกเข้าเนี่ย มันจะเป็นความรู้สึกที่เราเพ่งจ้องบังคับกดเกงนี่เป็นความรู้สึกตัวที่ในการทําขึ้นแล้วก็ไขเข้ามันจะมีการเพ่งการจ้องการกดการเกงการบังคับนี่อันเนี้ยแต่ในในทางตรงกันข้ามความรู้สึกที่เราคลายเกี่ยวออกเนี่ยต้องให้ระวังเผลอเลิเลนลืมหลงอย่ากลับไปนี้ ยิ่งเราพยายามจะถอยออกเราฝึกเนี่ยเราร่างฝึกถอยออกเนี่ยมันจะ er gar, เริ่มยิ่งถ่ายออกปุ๊มันจะเร our, up, ิ coaster, <Yes. S 2> มีความเบามีความสบายมีความง่ายขึ้นเนี่ยแต่ก <Say, S 2> <trousers. S 1> ็ต like. ้องให้ระวังความเผลอความเพลินความหลงให้มันสังเกตดีดีไว้เพราะบางครั้งอ่ยมันจะเผลอเพลินหลงไปกับอารมณ์ได้ง่ายๆแต่ต่างจากไอ้ที่เราทําในรูปแบบเนี่ยเราจะเข้าไปเพ่งเข้าไปจ้องเข้าไปกัปปะคลองเข้าไปรักษาเข้าไปจัดการเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างเงี้ยระหว่าง อทำความเสือแบบขายเข้าหรือการใช้ในรูปแบบกับความแบบคขายออกคขายออกไม่ทําอะไรเลยปล่อยทุกอย่างให้เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้แต่ระวังการเสริมเกินเข้าไปในมันให้มากขึ้ น, นถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็กลับมากระตุน้นทํารู้สึกเฉื่ยชานะักก็กลับมาตุน้นที่สองกับที่หนึ่งสลับกันไปรู้สึกขี้เกียจนะักแสดงว่าต้องกระตุ้นตัวที่หนึ่งและเพิ่มเคขึ้น อืมฮึมเพิ่มขึ้นก็ก็จริงๆมันจะเป็นแบบบางช่วงหรือบางวันมันจะแบบมันมันีเกียจอะค่ะแต่ว่าบางวันมันก็จะรู้สึกว่าทําได้ดีี น, นแต่ก็ยังสงแถยเออแบบต่อหน้าเนะ้ี่วโมนแรกนะ่ะทําไมลรากดได้แบบเป็นพัน ท, ทำไมคราวเนี้ยกดยังไงก็แบบได้ร้อยหรือไม่บางทีบางบางวันเนะี้ย ห้สิบเองอะไรอย่างเงี้ยอือเพราะอะไรก็ตอนนั้นก็เป็นพอาะแบบพรอาจารย์ไออก็บอกเหมือนจะอาเราจะต้องกดไอ้ที่มันรู้ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเกดเป็นพิเศษนะคะพอมันก็เลยแบบมันก็มันก็เลยไม่ไม่ได้กดจำวอะไรที่มันเอเล็กๆน้อยๆเข้ามาอืออืออืออือนั่นแหหละ แต่จ้ตอนเนี้ต่อไปเนี่ยเวลาเรากดแต่ละทีปุ๊บต้องปล่อยช่วงจังหวะนิดหนึ่งต้องปล่อยช่วงจังหวะนิดนึงให้ก็เกิดไปก่อนแล้วให้ก็เกิดไปก่อนนะแล้วรู้ก่อนแล้วค่อยกดไม่ใช่ปะเกิดปุ๊บกดปับเกิดทุ๊บกดปรั บ, บอันนั้นมันจะเร็วเกินไปมันจะไม่ปล่อยช่วงให้รู้สึกตัวแบบธรรมชาติมันเกิดขึ้นหรือครับบางครั้งมันเผลอไม่ได้กดบ้านแต่มันรับรู้ก็ไม่เป็นไร น, นะ ก็ถือว่าเป็นรู้สึกก็แบบธรรมชาติไปเดี๋ยวถ้าเรากดได้ก็กดให้มันมันได้ถึงเป้าก็การตั้งเป้าไว้เนี่ยก็เป็นช่วยช่วยในการที่ขยับให้เรามีอะไรมีมาตรฐานให้ตัวเองอะ่ะแม้มันตกต่ําประมาณนั้นยังไงแจ้งก็ต้องเขีนตัวเองให้ขึ้นหรืมาตรฐานตรงนี้ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะก็ปล่อยเ oh. ข, ข้าใจตรงนี้ไหมเ <Hi. S 1> ออ เอาไว้เป็นตัวชีวัดความขี้เกียจความขยันเราถ <c oughs> ้าเาชวกลุ่มมีตัวกดอะไรอยาเงีมันก็ดีตรงที่สิ่นะเราจะทำได้ที่น้อยหรือยมากอนะไรเงี้ยเราก็เออขอทุกชาาเนี่ยใายงานแต่ถ้ากลางวันทําไม่น้อยมากเราก็แบบไ ป, แไปใส่ไว้ในโน้ตเลยไม่แบบไม่แบบลงไปในลายที่มันเป็นขึ้นมานะคะแต่ถ้าวันไหนที่มันเยอะ ค่อยขึ้นไปในในไลายปกติอะค่ะอืมอืมอืมก็กลัวโดนตำหนิไงรู้สึกว่าเบออางมันลาอะไรเนี้ยอืมช่แต่ว่าแต่ว่าการรักษาสางจังหวะยังอยู่สมดุลเนี้เหมือนเดิมเนาะถ้าใส่แค่วันเดียวดีแล้วสาหรับอี แต่ว่าก่อนอนั้นก็จะมีที่มีที่ไม่ได้ทำบ้างกมีอะค่ะก็มีอยู่บ้างใช่แต่ว่าถ้าว่งถึงจะต้อง ท, อง ท, องทําแต่บางครั้งเพิ่มื่นพอตื่นสายแนละ้วมันเลยเวลาที่เราจะต้องทำก็บางทีมันจะต้องทำอย่างต่าอืมเราก็เลยไม่ได้ทำํำบางทีว่า ทำไปสินาทีแล้วก็บายหรือว่าช่วงมีเวลาอีกทีาก็้นทีนี่ต่อไปนี่ต้องให้มีเพื่อนมาคอยจากกี้กันไหมเฮ้ย <c oughs> hey, วันนี้ทากันยังวันนี้ทากันยังดีไหม <c oughs> หาเพื่อนมาจักกี้ <c oughs> หาเพื่อนมาจักกี้เันเป็นบัดดี้กันเองอ่ะก็จากเรือนกันเองวันนี้ทาไม่ยังดีไห <c oughs> <c oughs> นะหาเพื่อนมาช่วยแบเป็นบัดดี้เขาจกเตือนเอาวันนี้ได้ยางคบยางหืมจะจะดีไหมดีกว่าทำคนเดียวคนเดียวอย่างน้อยมีเพื่อน ก, ก็จะสกิดถั่วมันลืมลมหลงๆ ล, ลงบ้างเปนุ่มก็ดีสะาษารหรับสำหรับตัวเองนะคะอืมอืมกลุ่มก็ดีนะเอาแหละแต่ช่วงเนี้ยสังเกตดูแล้วพฤติกรรมที่จริงๆสังเกตทั้งหมดว่ะ ในสเต็ปหนึ่งสองสามเนี่ยอืมเราสังเกต ด, ดูว่าเราอยู่ในเราจำนานตอนนี้เราจำนานในอันไหนเรายังบกพร่องอันไหนเข้าใจหลักการดีไหมก็พอจะเข้าใจนะแต่อาจจะไม่ค่อยชัดเอืมอือืมบางทีก็อ ค, ค, อคอยซ้อมไปนะเพียงแต่ว่าอะไรอ่ะ คือบางทีมันพอตั้งรู้อย่าเงี้ยจะไม่เข้าใจแต่ว่ามันต้องกลับไปไปคิดทบทวนสักพักนึงงนะค่ะแล้วมันก็จะเข้าใจในอีกแบบนึ่งแต่ว่าก็จะเขียนลงไปถามอาจารย์ไปนะว่าที่สิ่ทีเข้าใจอเป็นแบบเปล่า อ, อืมอืมอืมอืมกันเจ้า ก, ก, ก็ลองเขียนมาแล้วกันบางทีมัาก็จะตอบเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าให้ให้เข้าใจหลักการทีนี้กัดีกว่าั้สเต็ปที่หนึ่ง หลักการก็มันสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปคือพาออกพาจิตออกจากทั้งสองเรื่องเลยภายในและภายนอกโดยใช้ความรู้สึกตัวแบบธรรมชาติกระทําขึ้นส่วนสเต็ปที่สองก็คือฝึกฝืนที่เราฝืนอยู่มีอารมณ์เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เราฝืนที่จะไม่สมยอมและทําตามสเต็ปที่สามก็คือยอมรับมันทุกเรื่องอาจจะเกิดอะไรก็เนะยอมรับมันทุกเรื่อง ด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆอุปเกขาแล้วก็เรียนรู้และศึกษามันโดยสัมผัสมันได้ทั้งสองข่าัตทั้งภายในและภายนอกไปพร้อมๆกันไดน้เห็นเรื่องราวทั้งสองข่าที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแบบเนี้ยแล้วก็จะลดตัวกดลงสร้างจังหวะเท่าเดิมแต่ปล่อยให้ใหใหการแบบรับรู้กับธรรมชาติแบบชีวิตประจวันเนี่ยให้สังเกตชีวิตประจวันโดยการสังเกต ง, ง่ายๆ ฝึกก่อนคือให้มันเกิดอารมณ์ก่อนแล้วค่อยรู้เกิดขึ้นไว้ก่อนแล้วค่อยรู้ตรงเนี้ยสอมไปเรื่อยๆให้เข้าเกิดก่อนให้เห็น mm. เขาเห็นก า, การเกิดเองของทุกเรื่องเราแค่ทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตเท่านั้นนี่ก็แบบฝึกตัวรู้สึกตัวจริงๆก็ฝึกกันที่ตัวรู้นะตัวรู้ที่ตัวอารมณ์ของตัวรู้จริงๆคืออารมณ์ของตัวรู้เองคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกต ไม่ใช่เป็นผู้จัดการเรื่องราวและอารมณ์เด็ดๆทั้งสิ้นนี่คืออารมณ์ของตัวรู้สึกจริงๆเป็นอย่างนี้นะต้องไปซ้อมดูนะ ม, มีอะไรถามไหมอยากไม่มีค่ะเออเอรอย่าฝึกหน่อยนะอืออือเอาคนต่อไปกลุ่มสามคุณพระจา ไปเอ่ยนมัสการเออฮัลโหลนมัสการเจ้ค่ะเป็นไงยกไปสองตัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยู่หนึ่งนึงสองต้องสองหนึ่งเลยว่าการมันตามไม่ก็จะได้เไหร่เนอะ อา yeah. right. ใจออก mm hmm. ก็ออกได้เป็นบางครั้งว่าอาจารย์ออกได้แล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่ก็ออกได้แล้วฝืนมันก็ได้อาจารย์มาสังเกตตัวเองมก็จะไปผกูกมีความคาดหวังก็ลูกนีแหละอืใน mm hmm. ต, ตัวนี้มันผูกมันพันอยู่แต่ก็พยายามบอกว่าเออให้ให้ใ ห, ให้เป็นไปนตามที่มันจะเป็นก่อนไม่ต้องไปคาคาดวันก็พยายามฝึกนะว่า hmm. อ mm ืมอืม ก็ยังบางวันก็ดีบางวันก็จมจมแต่ก็บางครั้งถ้ามันแบบว่าเราเราเหมือนกระโจมเยอะๆมันก็ไปฝูงนานหน่อยกดออกมาได้เหมือนก็คิดก็คิดไม่ดีก็อนาคตแหละไม่อยู่ปัจจุบันก็รู้อยู่ว่ามันเป็นนะถ้าพักหนึ่งมันก็เข้ามาอยู่ตรงปัจจุบันนว่าสามันก็อยู่วนอยู่อย่างนี้แหละพอพอรู้สึกว่ากดกดเริ่มต้นแล้วแล้วแล้วก็เหมือนก็ปล่อยผ่านแล้วมากด แล้วก็กดอีกทีตอนที่หลังเหมือนขั้นที่สามอ่ะมันรู้สึกว่าโหมันมันก็สบายเกินอ่ะสบายเกินแล้วก็จะเผลอคนเป็นเหมือนกันหมดเลปอาจารย์มันสบายเกินก็จะกลับมากดใหม่เหมือนพอสบายก็รู้สึกว่าใจมันก็มันใช่อะใช่เหมือนปล่อยจิตสบายไปหรือเปล่าอะไรประมาณอย่นี้แล้วมันเบาเกินก็ไม่มันจะชอบก็ไม่ชอบอาจารย์เลยบอกไม่ถูกเดี๋ยววันจะถนัดตัวหนึ่งสองสองสมสายังไม่ก้าวหน้าอะไร อออืืมบางทีจิตแล้วน่ะมันติดการกระทำแต่มันติดการภายนอกพวกคู่ไปด้วยออะเการกระทำที่มันชอบเออมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ทําแล้วรู้สึกไปฉันก็ฉันเป็นคนขยันน่ะต้องขยันต้องทาจะทํำต้องทําหน่อยนะปฏิบัติทําแล้วไม่ต้องทําเลยฉันรู้สึกยังไงไม่รู้เป็นว่าจแบบมันกเบาแล้วมัเห็นมันใช่เหรอ ออมีมียาการอยู่กันเออเออก็ไม่เป็นไรถ้าสนุกทำก็ทำไปก่อนแต่อย่าไปซีเรีสเจ็ดกับมันแล้วกันจริงๆเนี่ยที่เราทาอ่ะเราไม่ได้ทำข้างนอกแต่เราพยายามจะทำข้างในใจของเราอยงัไการทำข้างในคือะคือทำยังไงทำที่ไม่ทำอะไรอ่ะมันทำยากไหมไม่ง่ายเลยยาก ทำที่มีทําอะไรกับทุกๆเรื่องเนี่ยทํายากนะ<อ>ทําที่มีทำอะไรทุกเรื่องปล่อยทุกเรื่องให้มันเกิดตัวมันเองแต่เราไม่ยอมไปทําอะไรกับมันเนี่ยแล้วเรลองทนดูมันสิมันจะเป็นยังไง<อ>ทนดูมันทนดูความหงุดจนดูความอึดอัดกัดเครื่องทนดูความทนให้มันแส ด, แดงให้มันทั้งหมดนี่มันก็ไม่ใช่ยากอะไรนะเวลาทําหน้าที่ดูละครเราทําหน้าที่ยังไงอะ เราไม่ได้เป็นแสดงสักหน่อยไม่เห็นยากเลยก็นั่งดูมันเฉยๆมันสแสดงไปเนี่ยคือการการไม่ต้องทำํทำก็ทําแบบนี้ทําหน้าที่ดูอย่างเงี้ยแต่บางครั้งถ้าเราเผลอเรบอกแล้วไงว่าอารมณ์ที่สามเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนของมันคือชอบเผลอเพลินแต่ อ, อารมณ์สองอย่างอารมณ์อารมณ์ที่ว่าเหมือนกับอุะมาทที่ว่าเราไข่ไข่อะไรไ ข, ข, ข่ขวดคลายขวดเนี่ยมันจะมีความเบา สบายมีความง่ายใช่ไหมเวลาเราไขา <Okay. S 2> ขวดออกครับจะมีความเบามีความง่ายใช่ไหมเวลาไข่อะไขออกแต่เวลาไขาเข้าเนี่ยมันจะมีความหนักมีความแน่นมีความ <Okay. S 2> อึดหนัดมีความปากมันก็จะเริ่มเพ่งเรื่มจ้องเข้าไป <Okay. S 2> แต่ในบางช่วงอ่ะเราปรับกันได้อยู่เช่นอ บ, บางช่วงแฉงพอเราทำไขดูแต่บางช่วงบางคนอ่ะถ้ า, ถ, าถ้าวางใจเป็นนะแม้แต่ท <Okay. S 2> ตําก็วางใจเป็นโดยไม่เพ่งไม่บังคับ แต่ทําด้วยใจที่ยอมรับเนี่ยเขาทําได้มากกว่าที่นั่นอีกดีซ้ำไปเขาตั้งใจกดหรือตั้งใจเดินแต่จิตใจเขาผ่อนคลายข้างในอย่ะมีอยู่เออเอแเอแต่บางคนก็บางคนอะ่ะมันมันทําแล้วจิตใจข้างในมันไม่ผ่อนคลายอะ่ะตั้งใจเดินก็เดินเอาชนะอารมณ์เดินสู้อารมณ์เดินที่จะไปกาจัดอารมณ์พวกนี้มันมันทำแบบเนี้ยไปเพื่อเพ่งเพื่อจ้องเพื่อบังคับแต่ถ้าเราทําเป็นๆเนี่ย ไม่แต่เดินอยู่ไม่จะสร้างจังหวะอยู่แม้แต่กดอยู่ก็ตามแต่เป็นการกดอยู่แบบผ่อนคลายรับรู้มันไม่ได้ทะเลาะอะไรกับมันเนี่ยเราเราฝึกแบบไหนล่ะฝึกทำแล้วทำแบบไหนล่ะถ้าแบบเราทำแบบประเด็นที่สองอะ่ะใช้ได้อยู่ทำแต่ว่าในใจเนี่ยมีความผ่อนคลายกับอารมณ์ไม่ได้ทะเลาะเบอกแหวงกับอารมณ์เหมือนอารมณ์มีอยู่แต่ฉั้นก็ทำของฉันไปอยู่โดยไม่รู้สึกอัดกับมัน นี่ก็คือประเด็นหนึ่งยอมรับทุกอารมณ์แต่ฉันก็ทำของฉันไปนะอย่างเดินชมคม อ, คอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแต่จิตใจเนี่ยไม่ได้ดเดยเอาชนะคานด้วยใจปรจัดอะไรด้วยใจิตใจที่ผ่อนคลายอันนี้เนี่ก็ใช้ได้แต่ต้องสังเกตมันด้วย เ, เหมือนอแบบว่าพระอาจารย์สอนทุกครั้งก็ง เ, เหมือนว่าก็รับไปทําแล้วพอมันมาจเจอนะมันก็จะมีความ เย้ยังไม่กมีบิดเบี้ยววิเย่ยัวันไหนที่ไปทําบุญกับไปเด็กกันกับเพื่อนก็รู้สึกสบายใจพอกลับมาเหมือนกันพออย่างะพอกลับมาเจอจริงจริงอยู่ด้วยกันปกติก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดจะมีเรื่องอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีเงี้ยบาครั้งเหมือนกันใจตัวเองเนี้ยมันมันเข้าไปข้องเกี่ยวเยอะเราเห็นว่ามันไม่ดีนะเราก็จะแบบเกิด เจ็บใจที่คัดค้าน ข, ข, ขึ้นมาไม่ชอบใจอะไรอย่างนี้นมันไม่ถูกนะ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลอยเข้ามาแล้วพอคิดได้สักพักถอยออกมาพอสักพักมันจะไปแล้วเหมือนมันเคยชินมันมันชินเหมือนกันะนะคระเจ้าก็รู้ท <laughs> ี่มันมาไปมันไปมันมาค่ะ ก, ก็ดีแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะแหละตั้งแต่ทํามานี่ เพราะว่าดีขึ้นนะคะคือมันก็ดีเหที่เราไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยอ่ะรู้ว่าเรามีเราสักพักหนึ่งอ่ะเราจมไปแล้วก็ออกมาเองง่ายมันไม่เอาไปซุก ๆ, ๆ, ๆ, ๆุกซุกซุกเนตานมอย่างเงี้ยไม่ทิ้งคือไม่<อ>ไม่ดองไว้อ่ะใช่มันก็เห็นผลว่ามันไม่ชอบดองเรื่องเนี้ยถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเราไม่ได้ฝึกอะไรมันก็เก็บไว้แหละมันก็ซุกแล้วออกมาเลี้ยงแบบคิดเป็นเรื่องราวที่แบบอดีต หรือว่าอนาคตอน่ยก็ทําให้จิตใจเศ้าหมองตลอดแล้วพ่ะยะอืมดราม่าไปเลยอั้งหมดค่ะจริงตอนนี้มันก็มันนี่ทั้งเบาทั้งอะไรค่ะมันก็ก็เข้ามาอะไรหลายอารมณ์อีก็มันก็สะดกมั่งอะไรมั่งยังมีได้อรอดได้ยิ้มอะไรเป็นธรรมชาติอือมอืมอืมอืาม่อเออเออทีนี้ทีนี้ต่อไปเนี่ยพยายามลองลดูต่อไปพยายามลองลองฝึกไป ลองฝึกใกลกล้กว่าอา้าวถ้อยากจะทําก็ลองทําแบบข้างไหนผ่อนคลายอ่ะทําไปแบบง่ายๆข้าในผ่อนคลายทาไปทําในรูปแบบก็ได้หรือตัวกดก็ได้แต่ว่าทําด้วยความผ่อนคลายโดยข้างไหนอะไม่มีการขึงเครียดหรือข้างไหนเนี่ยมีความรู้สึกอยกจะกำจัดอารมณ์อะไรทั้สิ้นทําไปด้วยความผ่อนคลายไขเข้าแต่ไขเข้ามันแบบผ่อนคลาย <S <S นี่ น, นั่นเป็นอันหนึ่งที่เราสังเกตุ อารมณ์ต่างๆที่เราเช็กอยู่เนะี่ยเวลาเราเช็คอยู่ปุ๊บเวลาสังเกต ด, ดูว่าเวลามีอารมณ์ขทั้งสองข้างอ่ะได้ชัดเจนไหมเช่นว่าเวลารู้สึกตัวอยู่ปุ๊บมีทั้งความคิดด้วยมีทั้งการรับรู้ภายในภายนอกด้วยาพร้อมกันเนี่ยชานายขึ้นไหมอรมณสามเนี่ย<ม>ชานาญขึ้นยังมมไม่เคยค ช, น า, ยชนานาญ ตอนที่ตอนที่บ้นฟังอ่ะที่บอกว่าอ่าเหมือนทําจิตคลอเกียร์คลอเกียร์แบบตอนตื่นน่ะเพราะว่าตอนตื่นเหมือนว่ายังไม่มีอะไรมากระทบเยอะอก็เหมือนแบบจะคอเกียร์คอเกียร์แต่เดี๋ยวมื่อกี้ไปล้ข้างหน้าอุ้ยจะทํามานั่นจะทํานี่นทํานี่ทำ น, นั่นอย่าเงี้ยแต่มันก็อยู mm hmm. ตอย่ตัวมันก็อยู่แหละตัวมันก็อยู่ในนอนอ่ะแต่อุ้ยมันมันคิดไปได้ยาวไกล ก็จะดิคือก็จะให้มันร oh> ู้อยู่กับตัวเองแต่บัลเหม๋อมันแค่จะก้าวจบจุกไปแล้วจะให้คอเคลียร์นี่คอเคลียร์ยากเหมือนกันนะพ่แจ๊คพยายามหัดให้มันอยู่แบบให้ให้หัดอยู่แบบมันยังกับเรามีไอ้ลูกสองคนอยู่สองข้างกันแหละไอ้ข้างนี้ก็จะดึงไปดึงไปแต่ก็จะรู้อยู่ว่าไอ้ข้างก็ดึงนะไอ้ข้างนั้นดึงไอ้ข้างไหนมันดึงก็จริงอยู่แต่ข้างนอกพยายามสัมผัสแต่ข้างนอกไปด้วยไม่งั้นแล้ว เดี๋ยวหลงประเด็นว่าเอาไอ้ข้างในอ่ะมันดึงข้างนอกไปด้วยอย่างเช่นข้างในมันอยากให้รีบๆครับข้างนอกมันเลยบังคับข้างนอกให้รีบด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเอาข้างนอกให้ข้างในไปดึงข้างนอกแต่ถ้าว่าไอ้ข้างนอกนี่ก็กแปลงไปลักหน้าอะไรก็ไปข้างในก็จะคิดทําู่นทานี่ก็รู้ลุกไปแต่ไม่ไม่ไปรีบตามเขาอย่างเงี้ยพยายามหัดอารมณ์ที่สามด้วยนะอารมณ์ที่าเออมันอยู่ระหว่างกลางสองเรื่องราวเนี่ย เห็นสองเรื่องราวที่มันเป็นอยู่เนี่ยเป็นให้ให้มันหัดสังเกตว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูเหตุการณ์สอเรื่องราวนี้ตลอดแต่ไม่เข้าไปตัดสินเออมีอันหนึ่งเราอะมันอยู่ในยังอยู่ในขั้นอะคู่เอาผิดโยู่เอาผิดโยเอาดีเอาไม่ดีอยู่เออเอาพอใจไม่พอใจอยู่มันไม่ได้เอาถึงขั้นว่าเท่าเท่าเลยจากนี้ไปปุ๊บไม่ได้เอาถูกเอาผิดเอาดีไม่ดีเอาชอบไม่ชอบ มันเอาว่าเหตุปัจจัยนู่นเหตุใดเรื่องนี้จึงเกิดเหตุใดเรื่องนี้จึงดับเนี่ยมันต้องไปถึงขั้นเหตุปัจจัยถ้าขั้นจังเอาเหตุผลเรื่องถูกผิดดีชั่วอยู่เนี่ยแมนก็ยังจะทะเลาะกับอารมอย่างนี้แหละทะเลาะกับคนรอบข้างอย่างนี้แหละอื่างภาษาสาเหตุเขาเป็ีนิสัยอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้มันเลยเป็นอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้ว่าเขาเป็นลูกเราเราจึงรู้สึกต้องการในเขาแบบนี้เนี่ยมันจะรู้สึกถึงเหตุว่ามันมีมอะไร เอในขั้นตอนของเราเนี่ยมันอยู่ในขั้นแรกเอาถูกเอาผิดเขาที่เอาชั่วมันก็เลยเอาชอบเอาชังเอาชอบไม่ชอบอยู่อันนี้มันอยู่อยู่นี่นั่นอยู่เอาขยับจิตไปสู่่เหตุปัจจัยมันคืออะไรเวลาอะไรนี่เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์เกิดอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเนี่ยเอาเหตุปัจจัยของอารมณ์โกรธมันทําอะไรทึ่มันโกรธเนี่ยเรื่องเรื่องศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยละมันก็จะเริ่มดีขึ้นค่อยๆเติมไปแล้วการ การอยู่ระหว่างกางและศึกษาเหตุปัจจัยข้างมันนี่แหละมันจะดีแต่ถ้าเราเอาชอบเอาชังเอาถูกเอาผิดเนี่ยอันนี้มันก็ยังยั ง, ย, ง, ย, งยังไม่ยังไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่เรื่องคามระอาจารย์ก็เหมือนว่าก็ทราบในหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ทุกครั้งก็จะมีนั่นไปด้วยก็จะจําก็จะจดไปแต่โอหพอใช้จริงทีไรเนะี่ยมันก็ไม่งา่ายขนาดนี้ทีนี้ต่อไปอเนี่ยให้อารมณ์ต่อไปให้อารมณ์จริงมันเกิดเยอะๆแล้วเราจะได้ฝึกอยู่กับมันได้เป็น ทุกอย่างอ่ะไออารมณ์จริงมันเกิดขึ้นี้แล้วเราเจ็บเราจะเรื่องฉลาดในการอยู่กับมันเป็นถ้ามันอยู่ไม่เป็นนะบอกเลยเอามึงจากทุกจนตายให้มึงทุกไปมึงเป็นอย่างนี้เอามึงจากทุกจนตายมึงทุกเข้าไปเอะแต่ไม่สศลแล้วไม่สศลแล้วแล้วก็ทําอะไรเราทําไปเอาดูปอให้มันทุกมันจะได้เรียนรู้ของจริงๆแล้ววันหลังไม่นจะได้จำงครั้งนะบอกมันก็แล้วบอกไปก็แล้ว สอมันก็แล้วมัน uh ยังไม่ฝังปล่อยมันทำไปเลยดูซิมจะทุกจอกันไหนใกลกับสอลูกก็แหละบอกมันก็แล้วครูแล้วหามันก็แล้วมันจะทำอีกทำมันทำมันรับผีดชอบนะอี่ก็มีคำบอกว่าก็อาจจะมีความไม่พอใจงี้ก็คือออกออกชิ่งตัวเองออกไปเลย แล้วไปทําองไปเลยเงี้ยไม่ไม่ยุ่งละเป็นอะไรก็เป็นไปเลยมันก็มีบางครั้งก็ทําได้ว่าแต่แล้วก็บางครั้งก็แค่ทำๆนะโหชีวิตก็วนวนอย่างนี้จริงๆเออบางทีมันทําแบบประชดก็มีด้วอืมดีทำแบบประชดก็มีเด้วยนะค่อยๆไปเพราะเราเรายังอยู่ในระดับท่านเหตุปัจจัยเหตุเหตุว่าเหตุผลอยู่พอใจอยู่ไม่พอใจอยู่ มันยังไม่ถึงกัเหตุปัจจัยแล้วก็ความเป็นอนิจจังทุกของอังตะตายอย่างเต็มที่ในใจยังสมัมผัสไม่เต็มที่ค่อยๆหัดไปููกกอย่ตัวูก อ, อยู่กับตัวรู้นะตัวรู้มีอารมณ์แบบเนี้ยคือจาอารมณ์ของตัวรู้จริงๆว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตเหตุการณ์เท่านั้นนะนี่คืออารมณ์ของตัวรู้ไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยรููตามที่สิ่งนั้นเป็นเห็นตามที่สินั้นเป็นสังเกตตามที่สิ่งนั้นเป็น จำลักษณะเขาไม่ได้ชัดเจนก็เกราบีสติจำลักษณะมันไว้จำมันไว้จำมันไว้จนไม่ลืมหน้าตามันนะฮะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเรา<ะ>เราบอกว่าเหมือนเป็นผู้ผู้ดูเฉยๆแบบคือไม่ต้องยุ่งอะไรเลยเนี่ยแบบ ก, การดําเนินการต่างมันจะเกิดขึ้นโดยโดยอัตโนมัติโดยแบบมีปัญญ า, ามาช่วยทำหรือครัอาจารย์อืมอ้าวถ้าเราเถามที่ สราถาอย่างนี้ลองถามตรงเป็นข้ามที่ที่เราจัดการทุกๆวันน่ะแล้วมันช่วยได้ไหมละ่ะหึ่ที่เราจัดการอยู่ทุกๆวันน่ะมันช่วยได้ไหมละ่ะถ้าเป็นเรื่องนี้หนูว่าหนูก็มันพัฒนาไม่ดีเท่าไหร่เออก็ลองดูสิที่เราจัดการกับอารมณ์เราทุกวันเราพยายามจะจัดการกับความโกรธจัดการกับความไม่ชอบใจอยู่ตลอดเวลาที่เราเคยทาทํามาแล้วเราทําอะไรได้มันมันได้บ้างไหมละ่ะลองถามดูสิอ่า เรพยายามให้เหตุผลกับตัวเองปลอบตัวเองเห็นโูกของตัวเองแต่มันก็ยังไม่จัดการเลยไม่ได้เลยะนะเราองมองย้อนสอนดูสิเอาวแล้วกับเราลอ ง, ลองเฝ้าดูมันที่เฉยๆดูสิไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยไม่จะจัดการยังไงตรงวันข้ามวันย้อนย้อนสอนดูสิจะเป็นยังไงใชค่ะเคยทําอย่างนั้นมาแล้วลองทําอย่างนี้ดูสิจะเป็นยังไงใช่ค่ะกออลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนะ่ มันไม่ยังยังไม่ลองลองลองลองเป็นอะไรจีบะอาจารย์ห้าเออลน้ว้าสาม้าแล้วเป็นไงบ้างการนมักาศอาจารย์คะเออเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยได้ทาดีนะคะอาจารย์เป็นไงทอันที่สามไม่ค่อย ปกติทำได้แต่อันที่หนึ่งกับอันที่สองนะค่ะอาจารย์ก็มีมีฝืน อ, อะไรอย่างนี้บ้างคะา่ะอาจารย์ออ่ อ, อ, อมีอยู่อันที่เองอันที่สองเป็นยังไงบ้างหละกนานขนาดไหนก็บางทีบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาตัวกดไปนะค่ะอาจารย์ เราก็จะระลึกได้แบบหมายถึงว่าทําได้เองโดยที่ไม่มีตัวกดได้บา ง, งครั mm ้งค่ะพระอาจารย์แต่ก็รู้ตัวว่าไม่ค่อยก้าวหน้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ mm hmm. แล้วอรวัรต ก, ก้าวหน้าไหมก้าวหน้าเอาอรวัรตก็บางทีก็ไม่ไม่ไม่มีสติพอแล้วพอผ่านไปแล้วเราค่อยคิดเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ระอาจารย์ เหมือนกับเราหลุดไปแล้วบางทีสมมุติเราเดินผ่านตรงนี้เจอคนคนนี้ที่เราไม่ถูกชะตาบางทีเราก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่ามีความรู้สึกรลบๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์ซึ่งพอผ่านไปปุ๊บเราก็คิดในใจว่าเราไม่ควรจะคิดแบบนี้เราควรจะแบบมันไม่ได้รับรู้ณตอนนั้นนะคะอาจารย์แต่พอผ่านไปแล้วเราก็คิดว่า อ, อจริงๆเราน่าจะดูให้เห็นชัดเลยนะว่า เ, ออเรามีความรู้สึกแบบนี้บางครั้งก็คิดได้ค่ะอาจารย์ แต่บางครั้งให้<ต>มันทำไปแล้วเราค่อยคิดค่ะเออแต่ในช่วงนั้ น, นกิจกรรมวิจกรรมทําตามความรู้สึกตอนนั้นไหมชี้เฉยคือมองไปค่ะว่าเนี่ยว่าเ อ, อคนเนี้ยถ้าเกิดเราบางทีถ้าเราเราเขียนอยู่แบบไม่เต็มเราไม่ชอบใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าต่ยืนตรงนี้ฉันไม่ค่อยรู้สึกดีอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็มไม่ทําตาม แต่ถ้าเกิดปล่อยไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้ให้ปล่อยไปตามว่าเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคะคือเออปล่อยให้เขาได้เรียนรู้แต่อย่าไปทําตามอย่าไปทําตามไอ้ว่ามันโกรธเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดขึ้นมาก่อนแล้วถูกแล้วเราไม่รู้ค่ะถ้าเกิดขึ้นมาเราไม่มีสิทธิ์รู้ได้แต่เกิดขึ้นมาแล้วพวกอให้เขารู้อะกําลังโกรธอยู่นะกำลังไม่ชอบใจอยู่นะแล้วเราไม่เอ า, ากใจกับกิจกรรมอนกรรมไปทําตามแค่นี้แหละ เกเริ่มที่จะมีความรู้รแล้วค่ะอันนี้เริ่มอันนี้รู้รู้ค่ะเดี๋ยวนี้ ค, คิดเป็นได้มากขึ้นถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะคิดเออไม่ได้คิดไงคะอาจจะแบบเออก็ปล่อยไปอย่างที่ที่แบบมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ตอนนี้พอมีความรู้สึกนั้นปุ๊บเราก็คิดแล้วว่าเอ้ยมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เอถูกไหมคะครับถ้าอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์แค่ แต่ว่าถ้ามันรู้แบบไม่ตมันมันต้องใช้ความคิดเข้าช่วยด้วยใช่ไหมความคิดเข้าช่วยด้วยใช่ไหมไม่ค่ะไม่เออก็คือคือบางครั้งบางครั้งที่ที่เราพอเราใจเรารู้สึกไปอย่างนั้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราผ่านตรงนั้นไปลวผ่านจุดตรงนั้นไปแล้ะเราก็ใจมันก็คิดว่าเอ้ยเราทำไมมีความรู้สึกแบบนั้นอย่างเงี้ยการรู้จัก <laughs> ออะอ เรายังใช้ได้ออายังใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันดจริงๆนะรู้เฉพาะต่อหน้าเลยว่ะเห็นสมมติเราเอาเราเห็นคนคนเนี้ยเห็นละแล้วก็เห็นการโกรธของมันเห็นคนคนนี้เป็นข้างนอกเห็นการกําลังโกรธขึ้นเป็นข้างในใจเราอะซึ่งสองกลางพร้อมๆกันในลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยเห็นหน้าคนนี้ปั๊บแล้วก็เห็นโกรธ้วยปั๊บโดยใจเราก็ยังเปินการที่เป็นอิสระอยู่เห็นมันทั้งสองเรื่องราวได้ทันทีอันนี้เรียกความก้าวหน้าค่ะ ความก้าวหน้าของมันลแค่ะมันสามารถแต<า>่บางทีบางคนเราคิดว่าความก้าวหน้าคือต้องชัดเจนต้องไม่คิดต้องได้อารมณ์เป่าผูกโล่โ ง, งสบายดีๆอะไรรู้นั่น น, นั่นเป็นเป็นความก้าวหน้าของความคิดนะแต<า>่ความหน้าทจิต ว, วิญญาเนี่ยสามารถที่เห็นหน้าคนคนเนี้ยปุ๊บแล้วก็เห็นที่กําลังโกรธอยู่ด้วยปับ๊บแต่ว่ากายกรรมวิจิกรรมเราไม่ได้ทําตามดูพฤติกรรมของโกรธนะถ้าอย่างนี้ถือว่าโอเคกอนไีมคะถือว่าใช้ได้บ้างแล้ว อย่างเนี้ยใช้ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะพอบางคิดเราจะคิดว่าเห็นเขาปุ๊บแล้วไม่ต้องโกรธเขาเลยยิงจะใช้ได้ใช่ไหมมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะบางเรื่องอะที่เราไม่มีคนคนบางคนเหมือนกันแต่บางคนที่ ม, มีความหมายสำหรั บ, บเร า, าเราก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะอันอนั้นก็เขาไม่มีความหมายไงไม่มีความหมายสำหรั บ, บเรามันก็เลยไม่ต้องมี นั่นเป็นอีกอันนึงแต่บางคนมีความหมายกับเราแะเราก็รู้ด้วยว่ามันให้ค่าให้ความหมายมันจะเกิดพฤติกรรมอย่างนี้แต่เราไม่ได้ทำตามพฤติกรรมอย่างนี้เรากําลังเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้สังเก็ดพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันกําลังตอบโต้กันในตัวเองเห็นสัญชาตญาณการตอบโต้เห็นในพฤติกรรมในการเป็นพอโปกอบมันอัตโนมัติแต่เราไม่ได้เอากายกรรมพฤติกรรมําตามแล้วมันก็ดับไปเองไหมค่ะประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ ดูมีเรื่องอะไรเปล่าไม่ไมีมีค่ะอาจารย์ยถ้าต่อไปเนี่ยมันมีเพื่อนมีเพื่อนค่อยจักถามค่อยจากไทถคอยจักบอกกันด้วยเนี่ยดีไหมดีค่ะอาจารย์เป่งคอยจักเออเป็นเพื่อนวัดดี่กันจักคอยจักสเกตกันค่อยดักเตือนกันค่อยดักถามกันเนี่ยดีค่ะ ก, ก็ก็มีมีเตือนมีพี่พี่สาวก็วคอยเตือนอยู่ค่ะอาจารย์เขาพอเตือนก็เหมือนกับมีกระตุ้นเราขึ้นมา ทีละหน่อยทีละหน่อยเงี้ยค่ะอาจารย์อ๋อแสดงว่าทํามีบัตตี้ด้ว ย, ยจะดีหน่อย <c oughs> ด, ดีค่ะดีค่ะนี้พอะพัะกเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดถึงก็ยังนึกถึงเลยว่าเออเราก็เป็นแบบนั้นเรามีพี่มาคอยเปือนเตือนอเงี้ยค่ะพี่พระอาจารย์เออเดี๋ยว <c oughs> อาจจะมีบัตตี้ที่เออแล้วพอรวมเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งหน่อยมาช่กันจูมาช่ ก, าชกันลากมาช่กันแปลประคองมาช่กันเป็นเพื่อนเนี่ยเออบางทีมีอะไรแต่บางทีนีมาปรึกษาการแตมาบางทีโยมก็ไม่ค่อยถนัดกันนะ ผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันมันจะดีกว่าทดี๋คุยกันก็ไม่ก็สะดวกเท่าไรอย่างนีจะมีหลายอย่างเดี๋ยวจะลองดูเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจอ้าวคนต่อไปใครเป็นยังไงอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินใคะได้ยินอยู่ก็รวแม่คยมกับจากไยอยู่ก็แบบยมรู้สึกว่ามัน มันถ่ายลงไปนิดเนึ่นะคะพอดีมันมีหลายเรื่องที่เข้ามาแล้วแบบโยมก็หลุดไปในเรื่องนั้นห mm. นึ่งหลายวันก็ mm. แต่ว่าในระหว่างนัคะนะคะพอมาทบทวนหนาดที่ยิบการพูดเนี่ยหลายเรื่องมันก็เกิดอาการอัคนมัสอะค่ะอาจารย์คือมีเรื่องที่ทําให้คิดถึงเรื่องเก่าๆตอนเด็กๆแล้วเราเสียใจอะค่ะ mm. แล้วมันไม่ได้จ mm. มเข้าไป เหมืนที่มันเกิดเลยนะคะมันอยู่ดีมันก็มันก็ถอนถอนออกมามันมันก็แบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ทุกข์เหมือนแต่เดิมถ้าเรื่องนี้มันฟูเกิดขึ้นแล้วเรานึกถึงนะแต่ก่อนถ้ามันจะคิดเราทุกข์มากค่ะแต่นี้ที่มันผ่านมาแล้วเราเห็ว่ามันฟูถต่ว่ามันมันก็ออกมาได้ไม่แน่ใจมันไแบบหมือนไม่อัลลอมาร์แต่นยมเพราะมัูนะคะอูกตองว่วงหลังหลัก็ โยมก็รู้สึกว่าแบบเอ้เราเราแบบหยลงไปโยมก็มพยายามเหมือนกรบตุกตัวเองกันนะคะก็พยายามจะกลับมาให้รู้ตัวในช่วงกิจกรรมต่างๆึวันสวันที่โยมก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกกตัวได้มากขึ้นแต่ว่าที่โยมเออ่เห็นก็คือว่าคเรื่องที่ทะเลาะอารมณ์มันน้อยลงคือแต่ว่าบางเรื่องที่เห็น อย่างอย่างวันนี้ค่ะอากาศมันร้อนมากค่ะสําหรับเต้อ่ะเห็นว่ามันหมุดหยีดมากแต่แต่มันมันไม่ได้หลุดไปอ่ะค่ะมันก็เห็ดใจที่มันหมุดหยียดเราก็ทําอะไรไปแบบเป็นไม่ได้ก้างมันไม่ได้หลุดเข้าไปในความรู้สึกตรงอั้แล้วมันก็มีจากตอนเล่นโยคะอาจจะทัดเพราะว่ามันทํำท่าต่างๆแล้วพอท่าเราเจ็บบ้างอะไรบ้างมันก็จะแบบ ไม่สบายตัวมานั่งเลยอ่ะมันก็จะเห็นว่าเราเขาไม่ได้ดุไม่ไปอธิษฐา น, น, อ, น, นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็เอ่อเหมือนกับคนต่นาเข้ามาเกี่ยวข้องเรา ท, ที่ผ่านมาผ่านมาเพิม่มทีเรื่อง ท, ทำที่เราไม่ถูกใจแต่ว่ามันไม่ปกติ ม, มานนะคะมันพอแบบเรื่องถายไปแล้วเราก็รู้สึกว่า แต่ว่าคํามลับที่เข้าพูดในนั้นแล้วเราก็เราก็เราจัดการชีวิตของเราไปตามทอืเราองการราต้องทำต่างๆ่ว่านื้อติดอะไรบอย่างอะไรบาอย่างไม่ถึงกัะดีมากค่ะอาจารย์อย่างติดเรื่องตื่นนอนอยู่เหมือนเดิมยังมีความมันในการนอนอยู่แต่เรื่องเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็ รู้กว่ามันบางๆไปเองค่ะอาจาไม่ได้อยากกินยิบตอนช่วงสมัยก่อนนะคะอืออื <methodology> มอะไรนะคะก็เป็นเพราะายความอยากหลายๆอย่างที่เคยอยากมากๆค่ะพอมันเอาไม่ได้ตามใจมันก็บางๆไม่ตามอารมณ์กคือสุกว่ายากท้องทั้งใจที่นคือรู้สึกว่าองกระุ้ตัวเองแพยายามที่จะรู้สึกระหวัดนะ ๆๆจะได้าการรู้สึกตัวไป ม, มากระหว่างอืมอืมที่ว่าระหว่างคือเราต้องคอยดักมันจะมีเครียกว่าทิฏฐิทิฏฐิคือชุดความคิดอให้ตั้งใจดีเวลาเห็น <c oughs> เราปวดเราเมื่อยเราร้อนเ <c oughs> นี่ยนี่คือสภาพร่างกายนะ <c oughs> แล้วก็จะมีทิฏฐิว่าเมื่อมันปวดเมื่อมันเมื่อยเมื่อมันร้อนเนี่ยต้องมีเอารมตอบโต้แบบหุดหิตอึดอัดขัดเคืองไม่ชอบอันเนี้ย ถ้าเราเห็นทั้งสองอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะดีในเวลาเดียวกันเนี่ยเช่นร่างกายก็เล่ยโยคะไปมีตึงมีหย่อนมีปวดมีเมื่อยมีร้อนแล้วก็เห็นใจที่มันหงุดหกิดอึดอัดขัดเคืองอันนี้คือโดยระบบของทุกคนอ่ะจะมีทิฐิแบบเนี้ยเวลาเกิดความปวดความเมื่อยความร้อนความไม่สบายอ่ะก็จะมีอารมณ์ที่ตอบโต้แบบปฏิกะปฏิกะอึดอัดขัดเคืองมีความคิดมีความรำคาญอันนี้มันเป็นมันเป็นโดยธรรมชาติที่มันเกิดเกิดจน เป็นทิศ่ีซ้าแล้วซ้าเล่าในทางตรงกันข้ามถ้ามันเย็นมันสบายมันโล่งมันโปร่งมันเบามันเย็นมันสบายก็จะมีภาวะในการตอบโต้ที่คิดในแง่ดีๆในแง่บวกบวกในแง่ความสุขในแง่ความชอบไอ้นี่มันเป็นมันเป็นผลตอบโต้จากภาษาข้างนอกมันก็จะเกิดผลเป็นอารมณ์ข้างในแต่ถ้าเราเปตัวรู้ให้คอยตั้งสังเกตพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้ดีๆบ่อยๆอ่ะมันจะเริ่มเป็นกลางขึ้นไม่เข้าไปตัดสินว่า ดีชั่วถูกผิดให้ค่าใดๆแต่มันจะเข้าไปเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นอุปนิสัยอันนี้เองที่เราเคยเป็นอยู่พอเรารู้ก็ไปเข้าไปเข้าแล้วไม่เอากายกรรมวิจิกรรมไปทําตามปุต่อไปนะร้อน ค, อคือแค่ร้อนเย็นก็คือแค่เย็นจิตใจก็ไม่มีอารมณ์ในอารมณ์ในใจพวก็ไม่มีความคิดที่ว่าร้อนแล้วจะต้องอื่นัดนะเจ็บแล้วจะต้องโวยวายนะต้องกังวลนะมันไม่มีเจ็บก็คือแค่เจ็บ มันจะเหลือแค่นั้นจริงๆกายเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใจเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีคําว่าต้องให้เป็นอย่างนี้ต้องให้เป็นอย่างนั้นตามที่ชุดคิดชุดทิฏฐิความเชื่อของเราเดิมๆมันทํางานแต่ต่อไปอ่ะมันจะเหลือแต่ตัวสภาพของตัวรับรู้ทํางานตวัวผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตเนี่ยคือพรว่าตัวรู้สึกเรียนรู้ตรงๆกับสิ่งนั้นเลยทํางานแทน เริ่มดีขึ้นโยมจีมอะเริ่มดีขึ้นอะแต่พยายามต่อนะพยายามต่อใช่รู้ตัวฮ ะ, ะพยายามฝึกต้องพยายามนี่โยมจ๋มก็พยายามเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงความศศ ร, รู้สึกไว้ในปัจจุบันเป็นหลักไว้แล้วมันจะทันทั้งสองเรื่องที่พูดนี่แหละข้างนอกมีการกระทบอยู่ข้างในเกิดอะไรคอพยายามเราทุกค น, นพยายามเลี้ยง เลี้ยงชีวิตจะเลี้ยงสติเลี้ยงจิตใจไว้กับอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละแล้วมันจะเห็นเลยว่าเวลาเขาตองกระทบอย่างเงี้ยใจทํายังไงฮะเขาตอกทบอย่าี้ใจทำยังไงใจสั่งยังไงให้เราจะทําอะไรกับมันเนี่ยมันจะเห็นชัดเมื่อเราเรียนรู้อยู่กับสองเสียงย่แบบเนี้ยบ่อยๆเข้าคือความรู้สึกตัวยินในปัจจุบันเนี่ยกับภายนอกที่เรากระทบนั่นแหละปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เรียนรู้สภาวะมันนะลดการจัดการ จำเป็นต้องรู้จักปล่อยตัวเหมือนรู้สึกว่าเราพอรู้สึ ก, สกตัวหลอดไหมคะบางครั้งมันเหมนข<อ>ึ้เองมันมอเออมันรู้สึกตัวขึ้นเองเนี่ยมันจะรู้สึกแบบง่ายๆหรอกมันไม่ได้มีชัดมีเจนแต่เป็นง่ายๆขึ้นมาง่ายๆคือตอนเนี้ยเราหัดเราซ้อมอย่างนี้ไว้อ่ายมจีมซ้อมอย่างนี้ไว้ว่าให้มันทุกอย่างให้มันเกิดให้มันเกิดขึ้นมนเองก่อนแล้วค่อยรู้คิดอย่างนี้ก็พอละเช่น อคือ น, น้ำลายก่อนแล้วค่อยรู้เออมันก็พริบตาก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยหรือเดินไปก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยพอละแค่นี้พอให้เห็นธุติกว่ากายมันทําเองมันอายตนะต่งางๆมันทําเองมันเรามีแค่หน้าที่ว่าไม่ต้องไปทําแทนมันทําหน้าที่รับรู้การการทํางานของมันแค่นั้นเองฝึกนิสัยอันนี้เยอะๆฝึกนิสัยนี่ยเยอะๆนี่การเพราะเราจะมีนิสัยสองอย่างธรรมชาติจะทําขึ้นแต่เราจะมีติดนิสัยในการทําขึ้น ชอบทําขึ้นให้รู้ไม่ชอบให้ธรรมชาติมันทําขึ้นแล้วเรารู้เพราะเราไม่ต้องทําเราจะทําหน้าที่ผู้รู้ผู้รู้ได้สมบูรณ์เมื่อปล่อยให้ธรรมชาติมันทําขึ้นให้มันคิดมันเองมันให้มีลมเองมันแล้วค่อยรู้มันแก่นี้เป็นหลักผมจิมลองหัดตัวเด้อเออค่อยๆไปถ้ามันขี้เกียจพ่วงมันมันขี้เกียจนะก็ฝืนลอยไม่จะไปพลิ้วขี้เศร้ามากเกินไป พอตัวขี้สาวแดดเป็นลมฮะพอเขียนจิตเรารู้สึกละอายใจเดี๋ยวจะอายไม่ทําไมเรารู้สึกว่าอายใจกับพระจารย์นี่ค่ะเพรนี้รู้สึกเราตั้งใจน้อยเลยก็เห็นหน้าดีค่ะนุ่มขึ้นจะได้ตั้งใจเนี่ต่อไปจะหาบัตตี้ให้เป็นเรื่องสกิตรัต่แต่เช้าเลยดีไหมเอาบัตตี้เจอกันสกิตรีกว่าวะไอวันนี้ฝึกตื่นยากตั้งเวลากันแล้ว ลองดูเนาะอาจจะลองหัดเออหัดเป็นบัดตี้หัดมีบัดดี้เป็นคู่หูบ้างบางทีทําคนเดียวแล้วไม่สะดุกไม่มีคนช่วยส ก, กิจก็ลองลอ ง, ลองดูเอาคนที่ว่าเขาพอจะฝืนตัวเองได้กับคนที่ยังฝืนตัวเองไม่ได้ไปช่วยกันลองลองดูลองดูช่วยกันบางทีก็ได้คุยกันด้วยเปลี่ยนแรกเคลียงประสบการณ์กันดีขึ้นเนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาให้ตังวางที่จัดปัตรี่ให้เนีเออเอ้าคนต่อไปคือตอนนี้อยากปรึกษาพวกเราอย่างหนึ่งว่าอาตมาอย า, อยากจะอยากจะให้มันมีแบบอะไรมาอยากจะทดลองแบบให้มันมีบัตี้ี่มีเพื่อนแบบว่ารักษาว่าเป็นคู่่อ น, นไปเป็นคู่ช่วยเหลือกันไป จับคู่กันจับคู่กันคอยดากกันคอยดัอปรึกษากันเองถ้าปรึกษากันไม่ได้ปุกบก็มันเป็นแล้วนะปรึกษากันปุ๊บเรียบร้อยแล้วหรือรายงานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมหามันไม่เข้าใจปุ๊บกรใจให้หัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มเข้าไปช่วยแต่หัวหน้ากลุ่มไม่เข้าใจพุกบก็ส่งมาให้แตมาช่วยคล้ายๆกับเป็นแล้วนะเป็นเพื่อนกันน่ะเป็นเพื่อนกันเออเนี่ยเพื่อนเกิดปัญหาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ปรึกษากันเออกเป็นเพื่อนกันน่ะ เป็นปีแบบเป็นพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เงยเพื่อนช่วยเพื่อนคนไหนที่รัรู้สึกอ่อนแอหน่อยเอาคนที่เข้มแข็งเข้าไปช่วยคนไหนที่เข้มแข็งหน่อยก็ช่วยคนที่อ่อนแอนเป็นอย่างเงี้ยพวกเราจะเห็นเป็นยังไงบ้างพอจะได้เรื่องไหมเห็นด้วยค่ะดีค่ะอยากให้มีคนช่วยกันสกิดช่วยกันให้กําลังใจค่ะเออแต่ละคนเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างเงี้ยคือจะอยากจะจับคู่กันว่า คู่นี้คู่กับคนนี้คู่นี้ก็คู่กับคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้หัวหน้ากลุ่มคนจัดการแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวอาจะมาว่าอาตจมาจะจัดลองต้องจัดสักชุดหนึ่งก่อนเช่นจะเอากลุ่มสองเนี่ยเอากลุ่มสองเป็นตัวเป็นตัวนำร่องก่อนเป็นตัวนำร่องศึกษาดูซิเป็นยังไงสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเนี่ยนะลองลองศึกษาแล้วนำร่องดูอ่ะ เอาจับคู่ใส่กันเนี่ยคนนี้คู่กับคนนี้นะเวลาเราเป็นไลน์เป็นอาจจะเป็นเนี่ยเอาเป็นออยู่ในไลน์เดียวกันนะ่ะเรียกอะไรเดีย่ยจับเข้ า, าไปในกลุ่มเดียวกันเช่นสองคนเนี้ยคู่กับคนสองคนนี้อา่าตัวอย่างเช่นเ่ยคุณกุ้งกับคุณนกอย่างเงี้ยคู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยากถามกันคุยกันแล้วก็บอกกันอย่างเงี้ยพอจะเข้าใจไหมงูกระตมาไหมเนี่ย เองค่ะให้จับคู่เองดีกว่าเจ้าค่ะพรจานทร์จับนวัตการค่ะค่ะเอี่นี่ยเลยเใครที่ยังไม่นั่งพระจานทร์ให้ให้ให้เราจับคู่กันเองดีกว่าเจ้าค่ะอืดีกว่าที่จะนี่หลักการจับคู่มีอยู่สองสองอย่างแลจับคู่อหนึ่งถ้าจับคู่เป็นแบบเพื่อนถูกใจกันเนี่ย มันจะอะไรมันจะไปแยกเป็นอย่างหนึง่งจับคู่แบบอจับคู่แบบอ่อนคู่แข็งนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งคนนี้กอ่อนนะคู่กับคนนี้แข็งนะเดี๋ยวบางทีอาจจะมาอาจจะมาเอาคนนอกๆที่เออโอเคพอจะเข้าใจเรื่องอารม์ดีๆเนี่ยมันจับคู่ไปเนี้ยอ่อนคู่กับแข็งเนี่ยก็ยังเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือจะจับคู่แบบสลับไปเลยเอาคนที่มันคุ้นกันเน่ะแยกไปกับคนที่ไม่คุ้นเพื่อมันจะได้มีเพื่อนเพิ่มอย่างเงี้ย เนี่ยมีสามประเด็นสามช้อยจะได้ศึกษาร่วมกันเนี่ยนี่คือเป้าหมายของมันนะแต่เป้าหมายของมันจริงๆคือต้องการจับคู่ให้ว่าช่วยเหลือกันอ่อนคู่กับแข็งจะได้ดึงกันไปได้เป็นเพื่อนกันได้อย่างเงี้ยน้องเห็ น, นไหมเนี่ยโยมโยมบันี่โยมแดง <จ>โล่ปาตามนิมมัสการจะผาอืมเราจะเข้าใจา<ร>หลักกา ร, ร, รไหมเอใครจะผาแต่ว่าคนอ่อนคนแข็งดึงคนอ่อนแต่ว่าคนแข็งก็ไม่มีไม่มีใครดึงฮะอ้ <c oughs> าคนแข็งก็ได้เรียนรู้คน <c oughs> อ่อนไปอืมเรียกรับเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนกันเลคื่องแต้มกําลังเขียนโครงสร้างไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปอ่าน อันในกลุ่มว่าเนี่ยครงสร้างเป็นอย่างนี้แต่ในช่วงเนี้ยให้ฝึกไปแบบเดิมก่อนยกเว้นกลุ่มสองตอนเนี้ยกลุสองเนี้ยแต่มาลองลองจับคู่ละอะยังให้คุณให้แก๊สเขาจับคู่แล้วว่ะคนนี้คู่กับคนนี้คู่นี้คู่คนนี้คนนี้คู่กับคนนี้นนนนนนลองลองฝึกเป็นตัวอย่างให้พวกเราให้ให้ให้เขาทาไปก่อนแต่พวกเราก็เราทำไปเหมือนเดิมก่อนแตเดี๋ยวลองมาสรุปด้วยว่าเออไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันจะเวิร์กไหมมันจะเวิร์กไหมเพราะว่า เป้าหมายจริงๆคือเราต้องการให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้พาโดยด้วยพากันไปพากันไปคือบางครั้งถ้าเกิดอาตมาไม่ได้ดูแลอาตมาไม่ได้อยู่หรือโครงการนี้มันมันยุบลงไปปุ๊บอ่ะมันก็ยังเหลือเหลือสิ่งที่เราจะพากันไปต่อเป็นคู่หูกันต่อเป็นคู่เกลอกันต่อที่จะพากันเดินพากันกระตุกพากันพัฒนาตัวเองได้อะอย่างเงี้ยให้มันจะได้ ไปแลว่าพึ่งพากันไปกระตุ้นกันไปเตือนกันไปเพราะบางทีเราทําคนเดียวปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีเพื่อนเลยอ่ะสมมติกลุ่มนี้มันมันแตกสลายไปไงนะแล้วเราไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยมันก็จะพยายามทําให้เราเฟ้งคว้างเฟ้งคว้างแล้วก็เลิกกันไปเลยไม่มีใครกระตุ้นใครเลยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้มาต่อไปผู้แม้แต่กลุ่มนี้มันอาจจะแตกสลายหรืออาจจะเพิ่มเติมก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปแต่อย่างน้อยทุกคนก็มีวัดดี้คู่หูที่คอยดัดชู้ช่วยกัน แล้วก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ใเป็นกลุ่มเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันมีทัศนีเสมอกันมีสีเสมอกันมีความคิดเห็นเดียวกันมีการเจริญในทางอันทางเดียวกันเนี่ยมันจะพากันไปและส่งเสริมกันไปได้แต่หลักการมันมีอยู่แล้วหลักการเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ยากค่อยจะตรวจสอบตามหลักการนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามนี่แหละจะเป็นหลักการในการตรวจสอบในการวัดผล ในการในการรู้ว่าเออเราออกนอกทางกันไหมหรือพากันอยู่ในทางประมาณนี้เนี่ยเข้าใจไว้เนี่ยเงียบกันหมดเลยเข้ค่ะเข้าใจค่ะเนี่ยโอเ ค, ค, โอเค้โยมีโยมีเนี่ยเรต้องอาคนไ้อง า, าคนกระตุนเลยโยมีเยหาคนก็ะตุลแล้วประมาณนี้นะ ทีนี้ทีนี้ตอนเนี้ยอยากจะเดี๋ยวจะส่งส่งรายละเอียดไปให้ว่าจากหลักการและเหตุผลเป็นยังไงบ้างแต่คร่าวๆแล้วจะเอากลุ่มสองเป็นตัวตัวประเด็นก่อนเนา ะ, ะตัวประเด็นก่อนแล้วยังไงวันที่สามสิบวันที่ยี่บเก้าอะเราไปเจอกันยีิบเก้าไปเจอกันที่ครุสติคนไหนเจอได้ก็เจอเจอไหเจอไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็คุยกันนะ แต่ครั้งสุดท้ายนี่วันที่เท่าไหร่ที่เราจะเจอรวมกลุ่มใหญ่เนี่ยแต่รอวันที่สามสิบไม่ไม่เจอกันกลุ่มใหญ่เนี่ยในไลน์เนี่ยวันที่เท่าไหร่เนาะต้องถามมันที่ต้องเจอกันในกลุ่มใหญ่เนี่ยวันที่เท่าไหร่เจ้าค่ะยี่สิบเอ็ดเจ้าค่ะยี่สเอ็ดใช่เจ้ค่ะัช่สุกหน้าค่ะเออยี่สิบเอ็ดสุกหน้าเนี่ยครั้นยี่สิบเอ็ดสุกหน้าเนี่ยลองให้กลุ่มนี้ลองทับดูก่อนเนาะ ลองให้ลองให้เออลองให้กลุ่มสองทำดูก่อนเนาะแล้วมาดูซีประรายงานแต้กลุ่มสองยังไม่เข้ารรายงานตัวเลยเนี่ยเยอะว่าง่ายจย์ยังไงไม่ค่อยครบอาจารย์ถ้าเปิดจะเริ่มจับคู่ก็จับไปทุกกลุ่มเลยเจ้าค่ะไม่ต้องกลุ่มสองกลุ่มเดียวย็นเดี๋ยวอย่าเพิ่กังวลใจเดี๋ยวเราลองศึกษาก่อนนะพร้อมกันอาจารย์ นะอย่างไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าจะเอาอยัางไงกับใครต้องให้ไปตั้งทีมก็นให้ดีๆก่อนนะเดี๋ยวจะมาให้เราอ่านอ่านหลักการไปก่อนเดี๋ยวอย่างไรเพราะว่าโครงการโครงการที่สี่เนี่ยโครงการบัตติพูดง่ายๆโครงการที่สี่คือโครงการบัตติก็คงยังมีรายการอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจาจะเอาที่ไปอ่านเราเอาอ่านดูไปอ่านรายการนี้ไป ก, ก่อนเนาะเนี่ยๆไปส่งให้ไปส่งไปในกลุ่มนะ ส, ส่วนกลางเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัน น, น, นี้เป็นโครงการเนี่ยโครงการที่สี่เนี่ยโครงการเดือนที่สี่วัตถุประสงค์ทุกทุกคนเห็นไหมยังเห็นจะได้ไม่อ่านเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนะ เราอ่านดูซิเนี่ยมันเป็นลัสษณะอย่างเงี้ยพ อ, อเข้าใจไหมทีนี้กลุ่มสองเนี่ยสมาชิกกลุ่มสองเนี่ยว่าไงแก๊สหน้าทีมว่าไงก็จัดจัดจับคู่ไว้ให้เราค่ะเดี๋ยวกะจันเดี๋ยแก๊สแปะให้ไหมคะ เออเออเราจับคู่แปะมาดูสิแปะแปะแปะมาดูเนี่แปยแปะไหนแปะกลุ่มใหญ่หรือแปะแปะกลุ่มสองฮะแปะกลุ่มสองแปะกลุ่มสองก็ได้แต่ว่าต้องพูดให้เขาเข้าใจอ่ะแจะได้เห็นในนี้เขาเาเข้าใจปะหมายถึงวิธีการหลักการหรอคะวิธีการหลักการอยู่ในห้องใหญ่ก็ได้อ่านกันหมดอทุกคนเลยอ่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าที่จับคู่อ่ะมันเป็นเฉพาะของกลุ่มสองไยคะ เ้วให้กลุ่มสองจับคู่กันก่อนเนาะลองลองสร้างดูสิเป็นยังไงแอนแกยก็ลองลองจัดการดูสิก็ตามด้วยครับแอบด้วยแล้วตามด้วยว่าคนนี้คู่กับคนนี้นะอาจจะเป็นจับคู่ทางทางลายกันก็ได้แล้วแต่นี่ยเป็นอย่างนี้อย่างวันดีแดงอยากให้จัดทั้งหมดเลยอ่ะแดง เจา้าค่ะยอมว่าจัดทั้งหมดไปเลยดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะได้เพราะว่าวทุกทุกกลุ่มจะได้มีประสบการณ์พร้อมกันเนี่แกแ๊แปะแปะจับคู่ให้แล้วนะคะในกลุ่มสองรู้ค น, นิกะค่ะอืมแต่กลุ่มอื่นนี่กลุ่มอื่นนี่ยังไม่ได้เตรียมเลยเนี่ยใครจะจับคู่กับใครเนี่ยให้ตอจะจัดได้ว่าเอางี้ก่อนละกันเดี๋ยวแค่อธิเดียวให้กลุ่มกลุ่มสองคับ รวบตัวไปก่อนกลุมกลมสามกับกลมหนึ่งก็ฝึกไปเนาะอันนี้คือโครงการที่สี่นะโครงการที่สี่ที่จะทําต่อไปทมราการนี้อา้าวทีนี้ใครมีอะไรเรอนี้ผ่านแค่นี้ก่อนนะตกลงแต่มาเอาสรุปแค่นี้ก่อนเนาะยบแดงเออเอาแค่นี้ก่อนจะพาแลกแต่อาจารย์จะเนี่ yeah. ยโยมีเนี่ยอ่อนนี่ก็เนี่ยจับใส่กับใครดีเนี่ย เจ้าเมียเอาใครดีแข็งๆหน่อยแล้วแต่พระอาจารย์แล้วกันนะคระหนึ่งเอ้เลยแข็งๆเออเดี๋ยวดูก่อนจะดูสัญลักษณ์ใครมีปัญหาอะไรไหมที่จะถามในตอนนี้ตามมรดกการพระอาจารย์ค่ะแอนไปรายงานมาซะดีๆถาึงถึงบ้านค่ะ ก็หลังก็หลังจากที่ฝึกก็ลบกับลูกน้อยลงไปเยอะอะค่ะก็ฝึกฝืนแล้วก็ปล่อยฝึกปล่อยไปได้เยอะก็เลยทำให้เราไม่ไม่เหนื่อยกับเขามากเราเข้าใจเขามากขึ้นเราเห็นเขาตามความเป็นจริงอะค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเค มันก็ไปได้เรื่อยๆ เ, เราไม่ต้องไปหวังไปคาดหรือไปคิดอะไรไปก่อนไม่ต้องไปกลัวอนาคตไม่ต้องไปห่วงเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่ค่ะบาดา์แต่ยัง ก, ก็ยังมีหลงที่จะโกรธเขาบ้างญหงุดหงิดเขบ้างแต่เรากลับมารู้ตัวได้ไวขึ้นนะคะอ่าแล้วก็เวลาทางานเวลาเวลา ทำงานเนี่ยก็ก็ใจเย็นขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยเราจะใจร้อนทําไมผู้ร่วมประชุมถึงพูดนอกเรื่องหรือไม่เข้าเรื่องสักทีหรือว่าเอ่อทำในสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็จะโพ่งออกไปเลยเราก็จะหยุดทันทีแต่ครั้งนี้เราก็จะฟังเขาก่อนอปล่อยให้เขาพูดจนกระทั่งเ้าหมดนะเราก็รู้ว่าอ๋อเขาต้องการแบบนี้แบบนี้มันก็เลยทําให้การประชุมมันก็ไม่เครงเครียดแล้วเราก็เองก็ไม่เหนื่อยด้วยเราก็ โอเคก็พยายามเข้าใจทุกคนประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ยังมีหลลืมที่จะทําเป็นช่วงๆที่จะทําแบบสม่ําเสมอก็ยังมีหลงลืมก็จะลืมอยู่บ่อยๆค่ะอาจารย์แต่เมื่อไหร่ที่นึกขึ้นได้ก็จะรีบกลับมารู้สึกตัวค่ะแต่ก็ยังยังมีหลงยังมีหลงอยู่ตลอดยังอันนี้ยังยังไม่สามารถจะทําได้ดีเท่าที่ใจคิดสักเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ค่ะอืมอืมอืมดีแล้วทีนี้ ที่ท่อยสังเกต ด, ดูอ่ะให้นึกถึงว่าลูกทั้งสองคนอ่ะหมือนมนกับ<ฆ>อยู่ทั้งสองของเราเค่อยตะกตุกอยู่เรื่อยพยายาม<ฆ>ที่เราจะอยู่ตรงกลางอารมณ์สามเนี่ยพยายามศึกษาดีๆอารมณ์สามเนี่ยเวลากระทบข้างนอกอ่ะค่อยจะสังเกต ด, ดูที่ว่าข้างในอ่ะมันมีความเคยชินในการจะคิดยังไงนึกยังไงรู้สึกยังไงที่ว่าเมื่อกี้<ฆ>ที่ว่าไปอ่ะเวลากระทบความร้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยข้างในอ่ะมันคิดยังไงรู้สึกยังไงจะโต้โต้แบบไหนแต่อย่าไปตอบโต้มัน ตร่างกายมันรู้สึกแบบเวลารู้สึกเออลูกวันนี้ลูกรู้สึกเห็นลูกรู้สึกเอาอารมณ์ดีรู้สึกรักใครรู้สึกชอบใจเน่ะสังเกตเห็นตัวแล้วลูกตามดีดีพวกแสังเกตดูอารมณ์ข้างในอย่างมันเป็นยังไงอมีความรู้สึกอยากกอดอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปจับอะไรพวกเนี้ยคอยจะสังเกตเห็นมันอย่างเงี้ยบ่อยๆเด็กตามเพื่อจะฝึกตัวอารมณ์ที่สให้รู้ทั้งภายในให้รู้ทั้งภายนอกให้รู้ทั้งพฤติกรรมภายนอกเป็นอย่างเงี้ยภายในตอบโต้อย่างไง แต่เราไม่ทําตามเมเปิดให้ตัวเออเปิดให้ตัวรู้สึกตัวเราเนี่ยได้ทําหน้าที่ได้เต็มที่เพราะเราต้องรู้จักว่าตัวรู้สึกตัวเราเนี่ยตัวรู้สึกตัวจริงๆคือตัวผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตนะนี่คือตัวรู้สึกตัวแท้ๆอือรู้สึกตัวแท้ๆที่มันไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับความคิดไม่เกี่ยวกับไอ้ผัสสะอิจตนะภายนอกหรือไม่เกี่ยวกับอารมณ์ภายในแต่ว่า อารมณ์ทั้งภายนอกและภายในเป็นตัวฝึกซ้อมมันให้มันเกิดเกิดให้มันเห็นให้มันเข้าใจมันเห็นเนี่ยคืออารมณ์ที่สามเนี่ยคือตัวประคองตัวเองให้อยู่ระหว่างกลางนะให้หลังการเห็นพฤติกรรมทั้งส อ, อย่างก็ทํางานกันอย่างนี้แหละเคือแบบมีความรู้สึกตัวออืแสดงว่าเราต้องต้องวางเฉยอุเบกขา แต่ว่าเอเรารู้สึกชื่นชมเขาเออเขาทําอย่างที่เราอยากทําเราก็เก่าไม่ได้ใจไม่ต้องไม่ไม่ต้องหมายถึงว่าเออไม่แสดงออกมาให้เยอะมากก็ยังไงแต่ไม่ใช่ให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนจะแสดงหรือไม่แสดงเนี่ยเราเรายังมีโอกาสดีฝากให้รู้ก่อนให้เห็นก่อนให้เห็นพฤติกรรมก่อนแล้วจะถาตามหรือเนี่ยมันจะเป็นจังหวะหนึ่งที่ว่าเหมาะสมแค่ไหนสมควรแค่ไหน ไม่ใช่ว่าพอมันเห็นปุ๊บแล้วมันโหก็ไปเอาเลยอ่ะอย่างนี้มันไม่ได้รู้ก่อนเห็นก่อนมันหลงก่อนเออมันหลงออกนี่เราต้องการรู้ก่อนไม่ได้เรียนรู้ก่อนที่ได้เรียนรู้ก่อนพฤติกรรมมันก่อนแล้วตอบโต้ไปก่อนแล้วมีท่าทีเราจะวางใจกับมันก็ได้หรือจะทําก็ได้โดยเราไม่ไปติเสธสูตรไม่ปฏิเสนหลักการของตัวเองเออ แล้วก็จะเสร็จแล้วเสร็จออไปเรื่อยๆเนี่ยต้องค่ะค่ะค่ะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลุ่มสองกลุ่มสค่ะค่ะนมัสการคมิ้นจำารเออพอจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเราให้ทดลองเป็นวัดยี่ไหมค่ะพอเข้าใจค่ะเออเจะไปปรึกษากันแกะกันแล้วกันนะเรากํากับกลุ่มกัน มีอะไ ร, ะไรยายงานไหมวันนี้อือก็รู้สึกตัวดีอยู่ค่ะพระอาจารย์เหมือนพอจะเข้าใจแล้วว่าแบบเออการรู้สึกตัวแบบซื่อๆมันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับแบบว่าในในในแต่ละอา่าในทั้งวันเงี้ยค่ะมันมันเหมือ น, นถ้าเกิดจะเห็นอารมณ์อ่เห็นความรู้สึกตัวช้าๆก็จะเป็นช่วงเวลาการเดินแล้วก็การนั่งที่จะแบบรู้สึกตัว ที่เหมือนรู้สึกสบายสบายอะไรประมาณนั้นนะคะพระอาจารย์ mm hmm. คือเห็นเหมือนเห็นทุกอย่างผ่านตัวเราไปหมดเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเหมือนเราเป็นตัวละครหนึ่งในนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะอือืมอืออค่ะคือจะรู้สึกแบบนั้นคือแบบมันก็เหมือนกับแบบเออแค่ช่วงอารมณ์ที่เราอารมณ์ดีๆที่แบบเวลามีเรื่องอะไรมาแล้วเราไม่ไม่ไปยุ่งกับมันแต่ถ้าเราแบบ เลยจากจุดนั้นไปมันก็จะแบบฟุ้งไปอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าถ้าที่เท่าที่เข้าใจนะคะว่าเหมือนกับว่าเออเราวันนี้กับเมื่อก่อนมันก็เป็นเหมือนเดิมแต่เราเราเข้าใจอารมณ์เข้ามันเหมือนเห็นทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะออืมเข้าใจอยู่คือทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันแหละแต่ตาเราแต่เราดีขึ้น แตาเราดีขึ้น ใ, ใจรอเรามอเห็นมันมากขึ้นใช่ใช่ค่ะอาจารย์มองเห็นมันมากขึ้นอิสระอิสระจากมันได้มากขึ้นไ ง, ไง่ายๆอิสระจากได้มากไม่เกี่ยวข้องกับมันได้มากขึ้นใช่ใ ช, ใช่ใช่ค่ะออทุกเรื่องราวยังคงเดิมแต่ว่าเราต่างกันอิสระจากมันได้มากกว่ขึ้นไม่ เ, เกี่ยวข้องกับมันได้มากขึ้นเป็นตรงของตัวเองมากใช่ทใช่ค่ะ เพราะว่าเนี่ยอย่างบางทีมแบบเหมือนเหมือนแบบชอบอ่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนว่าแบบว่าอ๋อเมื่อก่อนเราจะชอบไปแบบว่าเอ้ยอันนี้ชัดยางกายชัดยางความคิดชัดยางคือมันจะกลายเป็นแบบเพ่งเพ่งไปจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาอย่างนี้เอออะไรจะชัดก็ให้มันชัดไปหรืออะไรจะไม่ชัดเราก็ไม่ได้ไปสนใจก็แค่แบบว่ามันเหมือนมันรู้สึกเบาๆประมาณนั้นนะค่ะอาจารย์ อลองรู้สึกนะตามที่รู้สึกตามที่มันเป็นใช่ใช่ใช่ค่ะคือมันก็จะแบบเออไม่ไม่หนักเพราะว่ามันก็จะแบบเอออะไรเข้ามาแล้วก็ก็รู้ก็เห็นอะไรประมาณนะะั้นนะคะอืมอืมอืมอืมดีแสดงว่าดีขึ้นค่อยๆพัฒนานะค่อยค่อ ย, อยประคะระองการเรียนรู้้ไปดีๆเรียนรู้ทั้งสองคากฝั่งไปเรื่อยอ่เรียนรู้ที่จะเป็นอิสระจากมันเรียนรู้ที่เข้าปัจจัยมันศึกษามัน่ะ ไปเรื่ยอยๆครับ า, าได้ครับาขาดการนำมันมสการท่านอาจารย์ค่ะอเป็นยังไงบ้างาตอนเช้าก็ยังได้ใช้ตัวกดประมาณสามสิบนาทีค่ะอาทิตย์นี้มไม่ได้ไม่ได้ใช้แค่วันเดียวส่วนหลังจากนั้นก็จะก็ยังฝึกกิจกรรมย่อยอะค่ะขึ้นลงบันดได<อ>ล้างมือล้างเท้าล้างจานอะไรเงี้ยค่ะก็ยังได้ทำอยู่ แต่ว่าที่ที่กระทบที่เห็นตัวเองกระทบมากๆเลยคือลองมาดูทีวีอะค่ะแล้วมันมีอาทิตย์ที่แล้วจะมีกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอ่ะของไทยของประเทศไทยแข่งก็เลยดูเห็นว่าตัวเองวิ่งวิ่งก็ไปเชียร์ค่ะแล้วมันก็เกิดความ ง, งุดหงิดทำไมไม่ได้ดันใจทำไมเล่นอย่างนี้่เงี้ยพอเกิดพอเกิดปุ๊บมันก็ก็มีตัวรู้เกิดขึ้นมาว่าอ้อนี่นี่ ง, งุดหงิด นี่ไม่พอใจเห็นเห็นแต่ก็มาอีกอะค่ะก็เลยก็รู้อะไรเงี้ยแต่วันที่สองทดลองใหม่ค่ะแต่คราวนี้มันเหมือนเหมือนตั้งสติไว้อ่ะค่ะมันดูอย่างละมัดระวังหรืออะไรไม่ทราบกลายเป็นว่าอารมณ์พวกนั้นไม่ไม่กระทบอย่างรุนแรงแล้วก็หายไปได้อย่างรวดเร็ว ก็ก็ใช้วิธีเนี้ยค่ะฝึกว่าตัวไหนกระทบไม่กระทบรู้ตัวไม่รู้ตัวหลงไปนานแค่ไหนก็จะฝึกอื่นอย่างเงี้ยค่ะภายในหนึ่งวันนะคะเอ อ, เ อ, อพยายามแสดงว่าเริ่มสังเกตเป็นนะเริ่มสังเกตอยู่ระหว่างระหว่างภายนอกเป็นอย่างเงี้ยภายในตอบโตอย่างไงนี่ยเริ่มสังเกตเป็นเอภายนอ ก, กอย่างเช่นบางครั้งถ้ า, าได้ดังใจปุ๊บอ่ะเด่นครับเ้าเล่นได้ดังใจปุ๊บอ่ะสังเกตเห็นความดีใจของตัวเองไหม ที่สนุกไปด้วยส่วนว่าความดีใจเนี่ยจะเห็นน้อยกว่าใช่ใช่ค่ะจะเห็นความเกิดความหมุนหงิดไอ้พวกอารมณ์ลบๆอะค่ะจะเห็นง่ายกว่าค่ะเอส่วนความเพลิดเพลินปิตินี่น้อยเห็นไหมเคยเห็นแต่น้อยค่ะนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละต้องดูดีๆตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละจะพาให้จิตไม่ค่อยรู้มันแต่ถ้่าจิตมันเห็นทั้ง ความชอบใจทั้งความไม่ชอบใจของมันโดยตัวเองมันเวลามีกระทบปุ๊บกระทบลักษณะรูปลักษณะอย่างนี้เกิดความชอบใจลักษณะอย่างนี้เกิดความไม่ชอบใจเนี่ยพอเห็นลักษณะสองสองอย่างเนี้ยค่อยเรื่อยเนะื่อยเนี่ยเห็นถึงสองภาคฝัง่งภาคฝั่งภายนอกเป็นอย่างนี้ภาคฝั่งภายในเป็นอย่างนี้ค่อยจักซอมความรู้สึกตรงนี้ให้ดีเพราะตัวนี้คือความรู้สึกตัวที่สามที่ค่อยดักแอบหัดบริหารหาจัดการในการที่จะรู้อารมณ์ให้เป็นอิสระจากอารมณ์เนะย โดยไม่เข้าไม่เข้าเกี่ยวโดยไม่ห้ามมันด้วยให้มันขึ้นมาไม่ห้ามไม่ดการให้มันขึ้นมาแต่เราก็ดูนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปดังสังเกตค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยในกลุ่มสามอยู่กลุ่มสามใช่ไหมอยู่กลุ่มสองค่ะกลุ่มสองใช่ไอมกลุ่มสองค่ะเดี๋ยวลองลองลอ ง, ลองจับบัตรยี่คู่กันหน่อยดิ เมื่อกี้เมื่อกี้แว็บไปดูแล้วค่ะเอโยมได้คู่กับก้อยค่ะอ่าโอเคลองลองดูนะก็เดี๋ยวพระอาจารย์เรียนถามค่ะคือว่าโยมคิดว่าเมื่อจับคู่เป็นบัดดี้การคงจะปรึกษากันว่าต้องการให้ช่วยอะไรอย่างสมมุตินะคะสมมุติว่าอาต้องการให้ช่วยเรื่องไม่ไม่ทราบก้อยคงไม่เป็นหรอกนะคะแต่ว่านี่สมมุติเฉยๆอาต้องการให้ปลูกใช่ไหมยอย่างเนี้คยค่ะอะโยมปลูกได้<อ>นะ หรือว่าเตือนเตือนไลน์ไปถามว่าอ้าวันนี้รู้สึกตัวกี่ครั้งอะไรก็แล้วแต่จะไปเออจอย่าไปจี้กันมากก็แล้วกันเดี๋ยวลำแข้งนะคะแต่ว่าคิดว่าคือ <c oughs> ถ้าให้แนะนําอะไรคงไม่กล้านะคะพัชาชานไปไแล้วก็ป ร, รึกษากันไปเองแล้วก็คุยกันเองอกันแหละคุยกันแล้วยังไรก็ปีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยแองก็คุยกับไอ้แก๊สก็ได้ถ้าแก๊สคุยไม่เข้าใจก็มาให้แตมาแต่ว่าก็จะได้คุยได้ คุยได้เออเนี้ยจะมีปัญหาถามแบบนี้ทำกันอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แต่มันก็มีหลักการให้ให้วัดอยู่แล้วเนี่ยหลักการครับมันอยู่สามตัวที่ให้เห็นหนึ่งสองสามที่เป็นหลักการเดิมๆเราไปขยายผลดูกันแล้วกัน <Okay. S 2> เพียงแต่ <Okay. S 2> เพียแต่ยังน้อยะพียแต่อย่างน้อยถามไทยกันบ้างว่าวันเนี้ยพาวนาไหมอย่างดีอยู่อย่างเนี้ยให้เป็นเพื่อนวันเนี้ยไปพาวนาไหมเออวันเนี้ย oh, <okay. S 2> ไม่ใช่วันเนี้ยจะไปกินข้าวที่ไหนไม่เอาเรือ นี้ไเอาได้วะเนี้ยตัวเนี้ยฉัลองฝึกแบบนี้แบบแบบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณลองฝึกแบบไหนแประมาณเนี้ยลองถามดูอ๋อค่ะเป็นการเป็นการฝึกถามกันดูอ่ะคุณลองฝึกแบบเนี้ยแบบฉันฝึกแบบนี้แบบนี้แล้วคุณฝึกแบบไหนเป็นยังไงมันแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยแบบนี้นะแบบนี้ก็ไอ้ชาวคุรู้สมัยก่อนเขาเจอหน้ากันก็จะทักทายกันทันทีว่าวันนี้คุณเจะสนิทกับตาสีข้อไหนอย่างเงี้ย เราก็เหมือนกันแหละทําทําแบบนี้แบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนกั น, นอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงบ้างหรือคุณไม่ได้ทาเลยออกไม่ได้ทำเลยก็ไม่ไม่ดีนะชีวิตมันไม่แน่นอนนะต้องรีบทักนะ <c oughs> แเแค่เตือนกันแบบประมาณ น, นี่ยอืมาณ น, นี้ถามยิ่งเตือนทุกค่อยๆมาถามเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบเออยอย่างน้อยจะเป็นเพื่อนในกลุ่มหลายด้วยกันอย่างนี้เนาะ เอออืมเออจริงๆแล้วอยากว่าอยากให้เอาชิ้นเนี่ยอยากให้ชิ้นทำเรื่องพวกสื่อถ้าไปชอบเรื่องพวกสื่อชิ้นจะทำได้เต็มที่หน่อยแล้วอยาก<ด>ให้เอออยากให้คุณนอ้องสวนพันดาวเนี่ยมามาเป็นหัวหน้ากลุ่มนี่แทนจะดีไหมได้เออก็ได้ไค่ะ เออเวลาประชุมเวลาคุยกันอะไรก็ยังเข้ามาฟังกันเหมือนเดิมนี่แหละเดี๋ยวล้วให้คุณน้องเนี่ยเออลองลองเข้ามามามาดูแลกลุ่มเพื่อจะช่วยเหลือไปหารจัดการกลุ่มแล้วชิจะได้ไม่ต้องรับภาระชิ้ก็จะได้เออคอยแต่งทาเรื่องนั้นอย่างเดียวพอแล้วคุณน้องเลยรับปากก่านเนี่ยยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยมาแล้วค่ะพอาจารย์มาแล้วค่ะพระาจารย์กาพระอาจารย์จะฝากเออรับฝากใช่ไหมัมกได้ยินยอม ทำพอดีที่บ้านมันมีพายุหนักค่ะอาจารย์เสียงมันจะขาดขาดหายหายค่ะพอาจารย์ฝนตกค่ะพระอาจารย์ใค้ทําหน้าที่นะคะทำหน้าที่กลุ่มกลุ่มไหนชินชนอยู่กลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มสามกลุ่มสองคุมหนึ่งค่ะพระอาจารย์เออแต่ว่าจะให้ในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอ่อตอดูอยู่แล้วค่ะอยากให้เจน้องเนี่ยย้ายย้ายมาอยู่กลุ่มสามได้ค่ะดูแลสาม ค่ะแล้วน่ไดหน้าที่ดูแลต้องทอะไรบ้างคะปกติเคยเป็นแต่ลูอกกลุ่มต้องถามชินแล้วอ่ะเนาะค่ะงั้นจะคุยกับชินแักกันนะคะค่ะจะคุยกับชินก็ได้มีมีหลายอย่างจะชินฝ่กอาชได้แล้วลองทําดูเพราะจะใหอยากให้ชินไปทํางานสื่อเกี่ยวกับเทปเด็กแล้วจะเรีนั่นด้วยครจะเบาใจชินลงหน่อยดิ ค่ะได้คอยจาดกาค่ะค่ะคุณน้องก็เลยมาทําตัวนี้บริหารจัดการตัวนี้ดีแล้วก็ลองดูซิว่าอในกลุ่มเนี้ยลองถามชิ้นด้วยว่าใครควรเป็นบัดดี้กับใครลองสเก็ตเอาไว้ก่อนต่อโดยเด้อในกลุ่มต่อลองดูด้วยให้ชิ้นส่งข้อมูลให้พี่ต่อเอออะไรประมาณนั้นแหละพี่น้องเดี๋ยวเราก็คุยกันได้ค่ะไปคุยกันเนาะแอ้ก็เนี้ยร้านจ้าค่ะแล้วมีรายงานมั่ง โยมนะคะก็มาก็ปกติดีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่ฟังได้ก็คือว่ามันจะรู้ถึงอารมณ์ได้เยอะอะค่ะที่จะเห็นที่ว่าอารมณ์ที่มันอยู่ข้างในและเราเห็นนะคะว่ามันเป็นอะไรอย่างไงมันมีเหมือนที่พระอาจารย์พูดแต่กี้ะค่ะว่าเวลามันมีสิ่งที่กระทบทั้งพอใจและไม่พอใจแต่ว่าเมื่อตะกี้ก็หลุดอะค่ะพระอาจารย์มันก็คือมันมันยังมีหลุดออกมาทางวาจามีกํำดิยู่ แต่บางทีมันก็ไม่มีค่ะแต่บางทีมันก็ยังดีก็ควบคู่กันไปแต่ก็เห็นอดรม์ที่อาจารย์บอกว่าเห็นชุดความคิดที่พอมีเสียงกระทบอย่างนี้หรือมีสิ่งอะไรมากระทบเนี่ยเราเห็นทุกความคิด่ค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์อืมอืมอืมแต่จิตแต่จิตเริ่มจิตเริ่มเป็นอิสระจากมันมากขึ้นไหมค่ะเคขาว่าอิสระยังไม่ยังไม่เป็นอิสระซคือคือมันเห็นอารมณ์ค่ะอาจารย์แต่ว่าเราก็ทําตามมันทําตามมันน้อยลง มันอย่างวันนี้อะค่ะทําตามาตามอารมณ์ที่เราเผลอไปอะ่ะได้ดแค่ครั้งเดียวค่ะพระอาจารย์อันอื่นเราสามารถเหมือนกับว่าเราไม่เราฝืนมันได้ค่ะพระอาจารย์อืมอืมอืม อ, ม อ, ม อ, ม อ, มออ๋อนี่กําลังทำสองตัวใช่ไหมรองฝืนกับขั้นตอนที่สามกัขั้นตอนที่สามใช่ค่ะพระอาจารย์ขั้นตอนที่สาที่จะไปทําอะไรโดยแยกตัวมาเห็นภายนอกภายในยอยู่เรื่อยไปลองลองซ้อมแยกกันาแล้กันซ้อมอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เห็นภายนอก เปอยู่เรื่อยแล้วใช้เราอยู่ระหว่างกลางไม <ฮะ S 2> ่เข้าไปตัดสินอะไรใดเพราะกศึกษา <ฮะ S 2> เรื่องเหตุปัจจัยต่อไปเนี่ค่<ฮ>ะทานอารศึกษาเหตุปัจจัยของมันแล้ <ฮะ S 2> ไม่ไม่ใช่เอาชอคฟังเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลแล้วแต่จะต้องศึกษาต่อไปเราจะเป็นคนมีมีมเหตุผ ล, ลนี่ยพูดง่ายๆไม่มีผลแต่มันจะหรือว่ามีเหตุปัจจัยโอ้เหตุปัจจัยอย่างนี้เกิด อ, อย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยนี่ มันจะอยู่เหนือเหตุนอกเหตุต่อเหนือผลเพราะตัวเหตุปัจจัจยนี่เป็นตัวสองทุกเรื่องราวามีเหตุปัจจัยแย่เกิดเรื่องราแบบนี้มันจะไปอย่างนี้นะแะต่แต่วันนี้โอเคนะเอาแค่นี้เนาะชาหน้อมกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่าะเออแล้วฝากคุณสองด้วยลองไปทำมาดูนะถ้ายังไงปุ๊บโครงการที่สี่นี่คือโครงการที่จะเป็นบัตตี้สิงการละกันละแล้โครงการที่ห้าก็ว่ากันใหม่ ยังไม่รู้คืออะไรค่อยๆทํากันไปนะขอโน้มอุทนาสาธุกับทุกท่านนะที่ที่ได<แ>้ร่วมกันจน ป, ปฏิบัตินะขอให้ทุกคนเจริญก้าวหน้านะในเส้นทางของพระพุทธเจ้าของพระอิยาเจ้าทั้งหลายที่ท่านเดิยนะขอให้ทุกคนจงเจริญเจริญและเข้าถึงความที่เส้นสุดแห่งทุกโดยการทุกท่านทุกคนเทอาน สามส m งห a ึ่งขอบคุณอาจารย์นะกลั a มาสักการเจ้าค่กลับมาสักการณ์เจ้าค่ะ